5ปีให้หลังนับจากวันที่พลอยได้รู้ว่าแม่ตายพลอยก็ยังคงอยู่ที่ตําหนักเสด็จตอนนี้พลอยอายุ16เป็นสาวเต็มตัวและก็สวยเกินกว่าที่คาดไว้ถึงแม้ว่าเมื่อตอนเด็กๆพลอยก็มักจะมีคนชมว่าเป็นเด็กที่หน้าตาดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้พลอยสวยขึ้นกว่าเดิมมากนะ ส่วนช้อยก็เป็นสาวขึ้นมาพอๆกันแต่จำนวนปีและร่างกายที่เติบโตขึ้นไม่ได้ทำให้นิสัยของช้อยเปลี่ยนไปช้อยยังคงเป็นช้อยคนเดิมที่สนุกสนานร่าเริงและมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเหมือนตะกอดต้องบอกว่าแม่ช้อยเป็นตัวละครที่มีสีสันมากนะคะทำให้สีผ่นดินเนี่ย สนุกขึ้นเยอะเลยพรอยยังจำได้ดีถึงวันที่ตนและช้อยเริ่มห่มผ้าอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายวันนั้นเป็นวันที่สำคัญมากเหมือนกับว่าพรอยได้สละความเป็นเด็กแล้วก็ย่างเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ โดยที่คนทั้งปวงตั้งแต่เสด็จลงมาจนถึงคนอื่นๆยอมรับว่าพลอยสมควรเป็นผู้ใหญ่ได้แล้ววันที่เริ่มห่มผ้าและต่อมาอีกหลายวันทั้งพลอยและช้อยต้องนั่งอยู่นิ่งๆไม่กล้าจะขยับเพื่อยื่นไปไหนไกลเพราะว่ากลัวพ่อห่มจะหลุดยิ่งจะให้คลานไปมาบนตาหนักแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องนอกปัญญาทำไม่ได้ทีเดียว พลยเห็นผู้ใหญ่ห่มผ้าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของง่ายๆห่มทีเดียวก็อยู่ไปได้ตลอดนานๆจึงจับให้เข้าที่รัดกุ่มเสียทีหนึ่งแต่พอหมเองจึงรู้ว่ามันยากเหมือนกันเพราะถ้าผ้าที่ห่มไว้กับตัวจะอยู่ได้ก็เพราะความชํานาญไม่ได้อยู่ได้เพราะว่าเข็มกลัดกระดุมหรือว่าเครื่องเหนียวรั้งอื่นๆ เสด็จ ก, ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าพระทัยในเรื่องนี้ดีเพราะตอนแรกๆก็ไม่ได้ส่งใช้ส้อยพลอยบ่อยครั้งเหมือนแต่ก่อนส่งให้เวลาพลอยคุ้นกับพ่อหฮมอยู่หลายวันจนในที่สุดก็รับสั่งถามว่าพลอยหฮมภาพเป็นแล้วหรือยังเมื่อพลอยทูลตอบว่าเป็นแล้วก็รับสั่งกําชับว่าไม่หลุดแน่นะพลอยก็ต้องกราบทูลยืนยันอีกครั้งหนึ่ง จึงได้ทรงใช้สอยต่อไปและก็ดูเหมือนว่าจะมากกว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ใครๆก็รู้กันทั่วทั้งตำหนักแล้วว่าพลอยนั้นเป็นข้าหลวงคนโปรดการเป็นข้าหลวงคนโปรดของเสด็จนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสีย ข้อเสียก็คือพรอยมีเวลาเป็นของตัวเองน้อยกว่าคนอื่นๆเพราะว่าต้องคอยปรฏิบัติรับใช้เกือบตลอดเวลาจะมีเวลาส่วนตัวจริงๆก็ตอนที่เสด็จเข้าบันทมหรื อ, อยังบันทมไม่ตื่นส่วนเสียอื่นๆก็มีคนอิจฉามีคนค้นแคหาเรื่องแต่เรื่องนี้พรอยมีผู้ช่วยนั่นก็คือชอยซึ่งคอยออกรับแทนอยู่เสมอ ทำให้คนอื่นไม่กล้าเพราะว่าช้อยนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงประจําเสียแล้วในการเอาจริงคนก็เลยค่อนข้างกลัวไม่มีใครกล้าหย่่งนะคะการอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสด็จนั้นถึงบางครั้งพลอยจะเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้ท้อถอยเพราะถือว่าเป็นการตอบแทนที่เสด็จทรงพระเมตตาชุบเลี้ยงมายิ่งกว่านั้นการที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ก็ทำให้พลอยได้รู้ได้เห็นและบางครั้งก็ได้ตามเสด็จไปในที่บางแห่งที่บางแห่งซึ่งแม้แต่บางคนที่อยู่ในวังมานานกว่าพลอยก็ไม่ได้เคยไปถึง ที่ที่เป็นที่ยอดเยี่ยมของในวังก็เห็นจะได้แก่ที่บนอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร้อมทั้งทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอิดบางพระองค์ตามปกติเสด็จขึ้นที่บนเกือบทุกวันและพลอยก็ได้ถือหีบหมากสเสวยตามสเสด็จ ตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกเกรงกลัวเมื่อเสด็จแล้วก็ได้แต่นั่งคอยนั่งคอยรับเสด็จกับตำหนักอยู่แค่อัธจันท์พระที่นั่งแต่ต่อมาพลอยก็เริ่มกล้าขึ้นนะคะเวลาตามเสด็จขึ้นบนก็ได้คลานซอกซอนไปจนทั่วเท่าที่จะไปได้คือตอนแรกๆ ไม่กล้าไปไหนแต่ช้อยช้อยเนี่ยเป็นคนกล้าช้อยทําให้ดูก่อนแล้วก็กลับมาเล่าให้พลอยฟังทําให้พลอยอยากรู้อยากเห็นประกอบกับพลอยได้รู้จักกับคุณพนักงานบางคนที่เป็นญาติแล้วก็เจ้าจอม บ, บางคนเนี่ยก็ได้รู้จักในฐานที่เป็นญาติเช่นกันต่อมาพลอยก็เลยกล้าขึ้นก็เลยทําตามอย่างชอเนะคะ จึงได้เห็นความเป็นไปของที่บนอย่างใกล้ชิดที่บนในที่นี้ก็อย่างที่บรรยายมานะคะว่าเป็นที่ประทับของหลวงเกล้าวรัชกาลที่ห้าแล้วก็สมเด็จสมเด็จในที่นี้ก็คือสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชนินา์นะคะ ซึ่งเป็นพระพันปีหลวงแล้วก็มีทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าอีกบางพระองค์ตามท้องเรื่องพรอยก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้านะคะคือติดตามเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ในนี้ก็จะมีการบรรยายถึง ห้องเขียวซึ่งเป็นห้องทรงพระสํมภ า, าญเป็นที่สเสวยพระกาหารของพระเจ้ายู่หัวซึ่งครั้งแรกที่พลอยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดในที่ระโหฐานนั้นพลอยถึงกับคนลุกเกลียวทั้งตัวพอาะรู้ดีว่าที่ที่ตนไปถึงนั้นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงใดบนพระที่นั่งอันกว้างใหญ่ไพศาลและในห้องที่ได้เห็นอยู่เฉพาะหน้า เป็นที่อยู่ของเจ้าชีวิตคนไทยทั้งมวลในสมัยนั้นคือเรียกได้ว่าพลอยได้มาอยู่ตรงณจุดที่เป็นหัวใจของประเทศการเป็นไปทุกอย่างของโลกภายนอกได้ไปรวมอยู่ณที่นั้นไม่มีที่อื่นใดจะสำคัญไปกวา่าเมื่อเสด็จขึ้นเฝ้านั้นตามธรรมดาก็จะเป็นเวลาเสวยเสด็จเข้าเฝ้าในห้องเขียวซึ่ง จะมีเจ้านายพระองค์อื่นอีกเป็นอันมากห้องเขียวนั้นเป็นห้องใหญ่นะคะผนังทาสีเขียวแก่มีลวดลายปิดทองแล้วก็มีเป็นห้องที่คือลวดลายปิดทองกึ่งผนงังชั้นบนเนี่ยยกขึ้นไปกั้นเป็นประเบียงทําด้วยไม้ขัดบัน สลักเป็นลวดลายมีบันไดขึ้นบนบระเบียงก็วางตู้หนังสือต่างๆเป็นจํานวนมากในห้องมีตู้โต๊ะวางอยู่เรียงรายแต่เยื่องไปทางด้านพระบัญชรและใกล้กับบันไดาทางขึ้นระเบียงไว้หนังสือมีเก้าอี้ยาวทอดไว้เป็นที่ทรงพสสระสัมภาญและเป็นที่เสวยแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆอีกตัวหนึ่งวางอยู่ข้างหน้าสําหรับตั้งเครื่องต้น ในตอนนี้นะคะบรมราชวงศ์คึกฤทปราโมช ท, ท่านก็ได้บรรยายถึงการอาจัดเครื่องเสวยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะคะคือธรรมเนียมในการจัดเครื่องเสวยของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งเครื่องเสวยหรือว่าเครื่องต้นจะส่งขึ้นมาจากห้องเครื่องต้นค่ะ ทุกอย่างจะต้องห่อผ้าขาวนะคะแล้วก็มีการผนึกตราอย่างระมัดระวังมีเจ้าพนักงานที่เรียกกันว่างานกลางรับเอาไว้เมื่อถึงใกล้เวลาจะเรียกเครื่องพนักงานเหล่านั้นก็จะแกะผนึกแล้วก็เตรียมเครื่องต้นให้พร้อมที่จะตั้งเครื่องได้พอถึงเวลาเสวยเจ้าจอบอยู่งานทั้งหลายก็มานั่งเข้าแถวคอยรับเครื่องต้นตั้งแต่ จากมือของงานกลางแล้วก็ส่งต่อกันไปทีละคนงานกลางก็คืองานที่ดูแลเรื่องเครื่องสเสวยเนี่ยนะคะส่งต่อกันไปทีละคนทีละคนจนถึงพระเก้าอี้ที่ประทับแล้วก็บรรดาเจ้าจอมทุกคนก็จะมีที่นั่งประจําของตัวเองตลอดจนเจ้านายที่มาเฝ้า นะคะคือทุกคนและก็ทุกพระองค์เนี่ยจะมีที่นั่งประจําหรือว่าที่ประทับประจําไม่สับสนหรือว่าปะปนกันและก่อนที่พระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จลงห้องเขียวบรรดาคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะพูดคุยกันด้วยเสียงเบาๆแต่พอเสด็จลงประทับพระเก้าอี้แล้วเสียงพูดคุยก็จะเงียบหายไป คงเหลือแต่เสียงพระราชดำรัสและก็เสียงกราบบังคมทูลตอบนะคะของแต่ละคนที่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ด, ด้วยสลับด้วยเสียงหัวเราะเบาๆทั่วไปเป็นครั้งคราวเมื่อมีเรื่องขบขันพลอยก็จะหมอบดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็คอยสดับตรับฟังเสียงจากห้องเขียวได้ครั้งละนานๆในส่วนของห้องเขียวเนี่ยจะเป็นห้องทรงพระสัมราญนะคะ และก็เป็นห้องที่ทรงใช้ในโอกาสต่างๆเป็นการส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยอย่างเช่นเป็นที่ตั้งเครื่องเสวยซึ่งในระหว่างเวลาเสวยก็จะมีผู้เข้าเฝ้าผู้ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าในห้องนี้ก็จะได้แก่พระมเมห์ศีเทวีเจ้าจอมมารดาเจ้าจอมที่มีหน้าที่ถวายงานปรนิบัติในเวลาเสวยอย่างเช่นถวายอยู่งานพัดถวายอยู่งานแท้นะคะอ่า เวลาเสวยก็จะเป็นเวลาที่ทรงมีพระราชปฏิสันถานเรื่องต่างๆกับผู้เข้าเฝ้าและก็จะทรงงานไปด้วยซึ่งในหนังสือสี่แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามของคุณสันสนีวีวระสินชชยนักประวัติศาสตร์ในราชสำนักเนี่ยนะคะก็ได้อธิบายบอกว่าบางครั้ง ก็จะรับสั่งให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมลวงศรีรัตนโกสินทร์หรือทูลกระหม่อมพระองค์หญิงซึ่งเป็นพระราชธิดานะคะให้ทรงเขียนตามพระราชดำรัสสั่งงานส่วนพระราชธิดาบางพระองค์ที่ไม่ทรงมีหน้าที่ประจําก็มักจะมีงานฝีมืออย่างเช่นเครื่องถักต่างๆโครเชตติง้ต ง, ต, ง, ต, งติดพระองค์มาทรงทําไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้องเขียว จึงเป็นห้องสําหรับให้ข้าราชสํานักฝ่ายในเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกของวันค่ะส่วนคําว่าที่บนนะคะก็เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนินีนานอกจากห้องเขียวก็จะมีห้องเหลืองและก็ห้องน้ําเงินสําหรับห้องเหลืองเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยฟังเคยได้ยินมาแล้วนะคะ ที่บอกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองอันหมายถึงเจ้าจอมที่เหมือนกับไม่เป็นที่โปรดปรานก็จะถูกเรียกว่าเจ้าจอมห้องเหลืองที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าห้องเหลืองนั้นเ อ, อเป็นห้องโถงนะคะเป็นห้องที่มีประตูเปิดออกไปยังอัฏฐจันท ร, ร์สําหรับออกฝ่ายหน้าคือเมื่อพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าสวยเสร็จแล้วนะคะก็จะเสด็จฝ่ายหน้า เมื่อเสด็จออกฝ่ายหน้าก็จะต้องผ่านห้องโถงหรือว่าห้องเหลืองนี่แหละค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะพระบรมวงศานุวงศ์เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมที่ไม่มีหน้าที่ถวายงานประจำก็จะขึ้นเฝ้าที่ห้องเหลืองนี้เพราะว่าคล้ายๆกับเป็นห้องเปิดที่จะเสด็จพระราชดาเนินผ่านนะคะแล้วก็จะเสด็จผ่านห้องเหลืองอีกครั้ง เมื่อเสด็จกลับจากทรงพระราชภารกิจฝ่ายหน้าเสร็จในเวลาคำ่ำซึ่งก็จะมีผู้เข้าเฝ้ากลุ่มเดิมหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าตอนเช้าก็ได้ขึ้นเฝ้าตอนเย็นห้องเหลืองนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เข้าเฝ้าประจำดังกล่าวแล้วนะคะเมื่อมีพระราชพิธีหรือว่างานต่างๆอย่างเช่นงานปีใหม่ก็โปรดแจกของพราราชสานักฝ่ายในณนะห้องนี้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรียกว่า เ, เจ้าจอมห้องเหลืองเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเป็นเจ้าจอมที่เป็นเจ้าจอมที่ไม่มีหน้าที่อยู่งานประจำมานะคะคือไม่เป็นที่โปรดปรานนั่นเอง คุณฟังอาจจะคุ้นๆ น, นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยพูดถึงห้องเหลืองตอนนั้นไงคะตอนที่คุณสายเล่าถึงแม่สายหยุดที่เอาหีบหมากมาขายคุณสายในยามตกอับอ่าแล้วคุณสายก็บอกว่าคุณสายหยุดเนี่ยเมื่อรู้ตัวว่าพลาดไม่มีโอกาสได้กินหีบหลวงแล้วก็เลยคุยเพื่อไม่ให้เสียหน้าว่า หีบหลวงเขาไม่เห็นอยากกินเพราะซ้ำกับคนอื่นดาดดืนเวลาขึ้นก็เฟื่องฟูไปไประเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วก็ต้องไปหมอประจําห้องเหลืองจาได้แล้วใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะหมายถึงห้องเหลืองห้องนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ถวายการรับใช้ใกล้ชิดในห้องเขียวก็หมายถึงว่าไม่เป็นที่โปรดปราดแต่ก็ยังทรง พักกรุณาชุบเลี้ยงให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเบี้ยวหวัดตามสมควรดังนั้นก็เลยต้องหาโอกาสหาเวลามาหมอบเฝ้าในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านเข้าออกคือไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะจอะจงแล้วก็ไม่ได้โปรดให้เข้าเฝ้าคล้ายๆกับมามาหมอบคอยคอยเฝ้านะคะเวลาที่เสด็จเข้าออกดังนั้นเมื่อมีการเอ่ยถึงพระราชาสำนักฝ่ายในกลุ่มเนี้ยคะ่ะ กลุ่มที่ไม่ได้เข้าห้องเขียวเนี่ยนะคะก็จะแฝงความรู้สึกในทานองสมเพศสงสารหรือว่าเยาะเย้ยถากทางว่าเป็นเจ้าจอมห้องเหลืองอันนี้เป็นที่มานะคะตอนแรกๆนี่กะว่าจะเล่าให้ฟังตอนท้ายแต่เล็กมาเล็้ไปอ่ะอธิบายไปเลยก็ละ ก, กันนะคะจะได้เข้าใจดีไหมคะคนเล่าก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะะเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะ เพราะเราเป็นพวกชาวบ้านเรื่องของชาววังชาวรู้ชาววังสมัยก่อนก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจดีนะคะนี่แหละค่ะพลอยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปในห้องเขียวนะคะซึ่งเป็นห้องที่เรียกว่าคนที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็ต้องเป็นที่โปรดปรานหรือไม่ก็ต้องเป็นบรรดาข้าหลวงนะคะของเจ้านายที่เสด็จเข้าไปเฝ้าเป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็ทาให้พลอยเนี่ยได้มีโอกาส ได้เห็นอะไรต่อมิอะไรที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นซึ่งยิ่งได้ตามเสด็จขึ้นที่บนบ่อยครั้งขึ้นพลอยก็ยิ่งเพิ่มความกล้านะคะคือตอนแรกๆเนี่ยพอเสด็จเข้าไปเฝ้าพลอยก็ก็ได้แต่หมอปรอไม่กล้าไปไหนแต่ตอนหลังๆนี่เรียนแบบชอยนะคะคลานไปโน่นมานี่แล้วก็กล้ามากขึ้นเรื่อยๆ ย่งห้องเหลืองพรอยเองก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ เ, เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปนะคะพรอยก็มองดูด้วยความสนใจเป็นพิเศษค่ะซึ่งในนี้ก็อธิบายบอกว่าห้องนั้นเป็นห้องโถงใหญ่กว่าห้องอื่นๆที่บนเล็กน้อยฝาผนังและเครื่องตกแต่งทาสีเหลืองปิดทองตรงตามที่เรียกกันว่าห้องเหลือง ความจริงห้องเหลืองเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านทุกวันเพราะพระทวารห้องนั้นเปิดออกไปยังอัฏฐจันเสด็จออกข้างหน้าฉะนั้นเวลาจะเสด็จออกข้างหน้าก็จำต้องเสด็จพระราชดำเนินผ่านและเวลาเสด็จขึ้นข้างในก็จำต้องผ่านอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นห้องเหลืองนี้จึงเป็นที่ชุมนุมของข้างในทั้งปวงที่ไม่มีตาแหน่งเฝ้าโดยใกล้ชิดในที่อื่น ก็จะมาคอยหมาะเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดําเนินขึ้นหรือลงดังกล่าวแล้วพรอยเคยคลานเข้าไปในห้องเหลืองก่อนเวลาเสด็จพอโผล่เข้าไปนะคะก็เห็นบรรดาข้างในที่มาคอยเฝ้ากันอยู่นั้นนั่งหรือว่าเอกเนกคุยกันอย่างสบายอารมณ์บางท่านก็คุย อ, อ, อยู่กับคนที่นั่งใกล้ๆบ้างจับกลุ่มสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในวังและนอกวังบ้าง เสียงพูดคุยกันเบาๆนั้นเมื่อมีคนพูดมากคนก็ฟังดูได้ยินไปไกลเหมือนกับเป็นเสียงพิเศษไปอีกอย่างหนึ่งบางครั้งก็มีเสียงหัวรอดต่อกระซิกขัดจังหวะขึ้นมาบรรดาท่านข้างในเหล่านั้นก็จะมีหีบหมามีกระโถนนะคะเอาขึ้นมาวางไว้กับตัวกินหมากกันไปนัดยา น, นัดบ้างแล้วก็สนทนากันเป็นที่เพลิดเพลิน ทุกคนแต่งกายอย่างชาววังสมัยนั้นซึ่งเป็นประเบียบเสมอกันด้วยสีประจำวันเป็นเครื่องกำหนดนะคะซึ่งดูเผินๆเนี่ยก็แยกกันไม่ค่คยออกว่าใครเป็นใครเพราะว่ารูปร่างลักษณะก็ไม่ผิดกันเท่าไหรนะ่นมีทั้งคนสูงอายุและก็คนที่ยังอายุไม่มากในระหว่างที่นั่งคุยกันก็จะมีคนคลานไปมาไม่ขาดสาย บางคนก็เปลี่ยนเพื่อนคุยบางคนก็ไปเที่ยวทักทายปราัยคนโน้นคนนี้บางคนก็มีของต่างๆที่แปลกใหม่มาอวดเช่นน้ำอบน้ำหอมของเล็กๆ น, น้อยๆแปลกๆจากนอกอหวังก็เรียกว่ามาเจอกันสนทนาปราัยแลกเปลี่ยนกันมาไหว้หวานกันมานัดหมายกันมาเล่าสู่กันฟัง ที่นี่พอถึงเวลาเสด็จพระราชดําเนินผ่านห้องเหลืองเสียงต่างๆก็จะเงียบกลิบหลงทุกคนก็จะก้มลงหมอบเฝ้าอย่างสงบเสงี่ยมบางครั้งก็ส่งทักทายหรือมีพระราชดํารัสกับบางท่านที่เฝ้าอยู่ณที่นั้นบ้างบางครั้งก็เสด็จผ่านไปเฉยๆพอเสด็จผ่านไปก็มีเสียงพูดจาขยับขยื่นกลับมีขึ้นอีกบางท่านก็เตรียมตัวกลับตําหนักหรือว่ากลับเรือน เมื่อกลับไปแล้วก็จะได้กลับขึ้นมาเฝ้าอีกเป็นขนที่สองตอนเสด็จขึ้นจากข้างหน้าบางท่านก็กลับไปเลยไม่ขึ้นมาเฝ้าอีกในวันนั้นนะคะในขณะที่บางท่านก็อาจจะยังคงอยู่ในห้องนั้นต่อไปพลอยนั้นอยู่ในวังมานานพอสมควรค่ะก็เป็นที่คุ้นเคยรู้จักของท่านข้างในหลายท่านในห้องนั้นท่านข้างในก็คือบรรดาเจ้านาย เจ้าจอมห้องเหลืองทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผ่านเข้าไปพลอยก็จะได้รับการต้อนรับทักทายเป็นอันดีบางท่านก็รูปหน้ารูปหลังชมว่าสวยบางท่านก็สนใจไต่าถามว่าพลอยเป็นใครเมื่อรู้แล้วก็เรียกตัวเข้าไปทักถามทำให้พลอยเนี่ยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กว้างขวางออกไปอีกบางท่านใจดีมีข้าวของเล็กๆน้อยๆ อ, อ, อะไรที่แปลกใหม่ก็เอามาแจกให้ซึ่งเมื่อเสด็จส่งทราบ ก็มักจะทรงพระสวนและสตรัสว่านั่งพลอยเหมือนช่างประจบตรัสแบบเอ็นดูตอนนี้พลอยเป็นสาวที่มีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเสน่ห์มีกิริยาอ่อนหวานนอบน้อมเข้าไหนเข้าได้ไม่มีใครห้ามปรามคุณพนักงานบนพระที่นั่งหลายคนก็รู้จักพลอยเป็นการส่วนตัวและเมตตากรุณาเป็นพิเศษ เมื่อรู้ว่าพลอยเป็นคนชอบรู้ชอบเห็นก็คอยสนับสนุนให้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นครั้งหนึ่งพลอยถึงกับได้ติดตามคุณพนักงานเข้าไปถึงห้องพระบันทมที่เรียกว่าในที่ในที่ก็คือห้องพระบันทมนะคะซึ่งในความรู้สึกของพลอยเนี่ยนี่คือที่สูงสุดยอดของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่อันระหโหฐานที่สุดของบรรดาที่ระหโหฐานทั้งหลายน้อยคนนะักจะมีโอกาสเข้าไปถึงพรอยนั้นรู้สึกตื่นเต้นกะจับจะต้องสิ่งใดก็ต้องกราบไหว เพราะนั่นคือเครื่องใช้ส่วนพระองค์สิ่งที่ทุกคนต้องกราบเมื่อเข้าไปในที่ก็คือพระมหาสวตชัรซึ่งกั้นกลางพระแทน่นที่บรรทมนั้นเป็นแบบยุโรปพระแท่นที่บรรทมยกสูงอยู่กลางสองข้างเป็นพระแท่นลดสำหรับเจ้าจอมนั่งถวายอยู่งานพักหรืออ่านหนังสืออยู่นอกสวตชัดออกไปพลอยเห็นเตียงนอนตั้งอยู่อีกอันหนึ่ง เมื่อกะซิปถามคุณพนักงานคุณพนักงานก็กะซิปตอบว่าเป็นพระที่ของสมเด็จสมเด็จ พ, พระสรีพัชรินทราบรมราชินีนาศนะคะตั้งแต่แม่ตายนางพิษก็เข้ามาอยู่กับพลอยในวงัง โดยอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นมรดกเป็นมรดกตกทอดจากแม่มาสู่พลอยนะคะอาจจะเรียกได้ว่านังพิษเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงต่อเนื่องไปถึงแม่ส่วนทางบ้านครองบางหลวงนั้นพลอยได้รับการติดต่อน้อยมากคนที่มาติดต่อส่งข่าวคราวให้ทราบเป็นบางครั้งก็คือพ่อเพิ่มพี่ชาย ซึ่งตอนนี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มอายุ19แล้วก็เข้ารับราชการที่กรมพักครังหอรัษฎากรพิพัฒน์จริงๆที่ทํางานของพ่อเพิ่มเนี่ยก็อยู่ใกล้กับแม่พลอยนะคะอยู่ในหวังแต่พ่อเพิ่มไม่ค่อยมีเวลามาหาพลอยค่ะเนื่องจากว่ามีเพื่อนฝูงเยอะแล้วพ่อเพิ่มก็ชอบดื่มเจอกันที่ไรพลอยก็มักได้กลิ่นเหล้าจากปากของพ่อเพิ่ม พลอยต้องตักเตือนหลายครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อเพิ่มจะไม่ใหญดีกับคําตักเตือนของพลอยเท่าไหรนะ่นักพลอยทราบจากพ่อเพิ่มว่าทุกคนทางบ้านสบายดีโดยเฉพาะตัวพ่อเพิ่มเองหลังจากที่เติบโตทํางานแล้วก็ไม่มีใครมาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อนคุณเชยก็เติบโตเป็นสาวอายุสิปความสัมพันธ์ของคุณเชยกับคุณอุ่นที่ไม่ค่อยจะกินเส้นกันนั้น ก็ยังคงไม่กินเส้นแบบเสมอต้นเสมอปลายทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยขึ้นบางทีถึงกับไม่พูดกันนานๆส่วนเจ้าคุณพ่ อ, อยังพูดถึงพลอยเสมอในขณะที่พลอยไม่ค่อยมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องของตัวเองพลอยกลับมีโอกาสได้พบปะกับพี่น้องของช้อยนั่นก็คือพี่เนื่อง มากกว่านะคะนอกจากพี่เนื่องยังรวมไปถึงคุณพ่อและก็คุณแม่ของชอยบางทีแม่ชั้นแม่ของช้อยก็เข้ามาหาถึงในวันบางทีคุณหลวงที่เป็นคุณพ่อของช้อยก็มาหาที่ประตูวังส่วนพี่เนื่องนั้นมาหาแบบคงเส้นคงวามิได้ขาดตั้งแต่พลอยกลับมาจากงานโกนจุกที่บ้านชอย พี่เนื่องก็มาเยี่ยมชอยและพรอยอยู่เสมอค่ะเดือนหนึ่งมาไม่ต่ำกว่าสองครั้งการที่พี่เนื่องมาเยี่ยมชอยเป็นประจำพรอยก็ติดนิสัยที่จะต้องออกไปพบพร้อมๆกับช้อยคือไปด้วยกันจนกลายเป็นของจำเป็นถ้าครั้งไหนที่พี่เนื่องไม่มาตามที่คาดไว้พรอยก็จะมีความรู้สึกว่ามีอะไรขาดไป ตอนนี้พลอยเป็นสาวแล้วพี่เนื่องก็เป็นหนุ่มแล้วการสมาคมกับพี่เนื่องก็เปลี่ยนไปเวลาที่พี่เนื่องมาหาพลอยกับช้อยดูเหมือนว่าพี่เนื่องจะแต่งตัวอย่างประณีตบรรจง คุณหลวงได้นําพี่เนื่องไปฝากเข้าเรียนในโรงเรียนนายทหาร5ปีต่อมาพี่เนื่องก็เกือบจะออกเป็นนายทหารอยู่แล้วนะคะในระหว่างนั้นพี่เนื่องก็จะมาหาชอยและพลอยได้เฉพาะวันพระที่หยุดเรียนแล้วก็แต่งเครื่องแบบมาหาสวมเสื้อแดงซีซูดฉาดบาดตาทําให้พลอยปลืม้มแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักพี่เนื่องในขณะที่ชอย ไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นใดๆในตัวพี่ชายนะคะแถมยังออกอุทานเป็นคำวิจารณ์ในตานองว่าตายเหมือนไม้ควักปูนเดินได้ทําให้พี่เมื่องและพลอยฮือร้อกันยกใหญ่เพราะว่าพี่เนื่องนั้นผอมสูงนะคะเมื่อเสื้อที่ใส่ทาให้ท่อนบนเป็นสีแดงก็เลยทําให้ช้อยเนี่ยวิจารณ์ว่าเหมือนไม้ควักปูนปูนกินหมากเนี่ย ในความรู้สึกของพลอยพี่เนืองเป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างหน้าตาดีในนี้ใช้คำว่าสวยคนไทยตะก่อนนี่ไม่เรียกว่าหล่อนะจะเรียกว่าสวยถ้าถามความรู้สึกของพลอยนะคะใจจริงของพลอยก็รักพี่เนืองอย่างพี่ไม่มีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นแต่ในระยะหกเดือนที่แล้วมาความรู้สึกชักเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไป พี่เนื่องเริ่มมองดูพลอยด้วยสายตาที่มีความหมายและเป็นประกายเหมือนกับว่าพี่เนื่องต้องการจะบอกให้พลอยรู้อะไรสักอย่างด้วยสายตานั้นและถ้าจะให้พลอยอธิบายความรู้สึกของตนพลอยก็คงอธิบายไม่ได้พลอยรู้แต่เพียงว่าวันไหนพี่เนื่องมาหาสินฟ้าอากาศในวันนั้นดูจะสดชื่นเป็นพิเศษจะมองอะไรก็สวยงามไปหมด และ ว, วันนั้นพลอยก็จะพิถีพิถันในการแต่งตัวมากเป็นพิเศษมือที่หยิบจับพ้นุ่งพ้าห่มก็ดูเหมือนจะเลือกสรรเฉพาะพระนุ่ง พ, พ้าห่มผืนที่ดีที่สุดและ ว, วันนั้นหัวจิตหัวใจของพลอยก็ดูเหมือนว่าจะเต้นแรงกว่าวันธรรมดาและยิ่งใกล้เวลาที่จะออกไปพบพี่เนื่องหัวใจพลอยก็ยิ่งเต้นแรงขึ้น จนบางครั้งเลือดฉีดขึ้นที่ใบหน้าเป็นสีชมพูรเรือ่อเวลาจะพูดจะคุยกับพี่เนืองพลอยก็จะมองใช้ใสายตาจับอยู่ที่ใบหน้าของพี่เนืองจนจำได้หมดทุกส่วนตลอดจนวิธีจะพูดจะหัวเราะและเมื่อพี่เนืองกลับไปถึงเวลากลางคืนที่เข้านอนภาพใบหน้าของพี่เนืองตลอดจนกริยาท่าทางก็ยังคงติดตา แต่ทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าใครจะไปบอกพลอยตรงๆว่าพลอยรักพี่เนื่องพลอยก็คงจะปฏิเสธเสียงแข่งว่าไม่จริงและในใจของพลอยก็เชื่อว่าไม่จริงเหมือนกันแต่พี่เนื่องเป็นคนทำให้พลอยเกิดความอายและเมื่อเกิดความอายขึ้นแล้วในตอนหลังๆพลอยก็มักจะอิดเอื้อนไม่ยอมออกไปพบกับพี่เนื่องบ่อยๆทั้งที่จริงๆนั้นอยากจะไปใจจะขาด วันหนึ่งขณะที่พี่เนื่องคุยอวดช้อยถึงเรื่องที่ตนกําลังจะเรียนจบและก็จะได้ออกไปเป็นนายทหารช้อยก็ถามขึ้นว่าเออพี่เนื่องถ้าพี่เนื่องออกเป็นนายทหารแล้วพี่เนื่องจะทําอะไรอา้าวก็ไปหัดทหารสิช้อยถามได้ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าพี่เนื่องจะทําอะไรกับตัวเองเอตอบยากจริงก็ไม่รู้สิ เห็นจะต้องมีเรือนเสียกระมังชอยและพลอยก็ตื่นเต้นในคำพูดของพี่เนืองนะคะชอยนั้นถึงกับตบมือแล้วก็หัวเราะฉันไ่่อยากรู้นะักว่าพี่เนืองจะแต่งกับใครกันพี่เนืองหมายตาใครไปบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าสีหน้าพี่เนืองเปลี่ยนไปทันทีนะคะที่โหนกแก้มเป็นสีชมพูเรื่อๆพี่เนืองนิ่งอยู่นานมองดูหน้าพลอยด้วยสายตายิ้มละไม แล้วก็พูดช้าๆริมฝีปากสั่นน้อยๆว่าก็มองไว้เหมือนกันคนนั้นก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะกรอกแม่ช้อยพรอยนั้นตัวร้อนวูบวาบขึ้นมาทันทีเลือดวิ่งสู้ทั้งสารพางกายในวันนั้นตอนที่พี่เนื่อกลับไปแล้วและพรอยกำลังเดินกลับตำหนักกับช้อย พลอยก็เกิดความรู้สึกประหลาดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นก็คือความว้าวหวานในทรวงอกเวลาที่เดินก็รู้สึกว่าตัวเบาเหมือนกับลอยไปไม่รู้สึกว่าเท้าแตะพื้นดินเลยตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกที่พลอยมีต่อพี่เนืองก็เปลี่ยนไปยิ่งกว่าแต่ก่อน พลอยเริ่มอิดอื่อนที่จะออกไปพบเวลาที่พี่เนื่องมาอ้างว่าปวดหัวบ้างไม่สบายบ้างบางทีก็หายขึ้นไปเฝ้าเสด็จเสียที่ชั้นบนพระตำหนักทำให้ช้อยไม่กล้าขึ้นไปจาาครั้งหนึ่งช้อยก็เลยถามตรงๆว่าพลอยฉันถามจริงๆเถอะอุนี้พลอยเป็นอะไรไปเปล่า ก็เปล่าแล้วทำไมหมู่นี้ดูเพ้อเพอไผ่ไผ่ชอบนั่งเหมาคนเดียวบ่อยๆไม่พูดไม่จากับใครโทเปล่าจริงๆนะช้อยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแล้วเวลาพี่เนื่องมาหาทำไมพลอยไม่ออกไปพบเหมือนแต่ก่อนอืมก็ไม่รู้สิฉันก็ปวดหัวบ้างติดธุระบ้างแล้วพี่เนื่องว่าอย่างไรบ้างหรือเปล่า พลอยอดใจไว้ไม่ได้นะคะ <C ell ee> ก็บนออดไปเท่านั้นแหละเขาว่าพลอยอนะลืมเขาซะแล้วพี่เนื่องหมูนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะพลอยบ้าไปอีกคนฉันสังเกตดูว่าเขาเนะ น, น, นีย่ยเฉยๆเหนือยๆตาไม่จับคนมองไปแต่ทางประตูวงัง <C ell ee> เหมือนกับจะมองหาใครสักคนแล้วก็ไม่ค่อยจะอยู่คุยกับฉันนานพูดกันคำสองคำก็กลับไม่เชื่อข่าวหน้า พลอยออกไปดูด้วยกันสิพลอยเมินหน้าไปเสียอีกทางหนึ่งหัวใจเต้นไม่ได้จังหวะเพราะคําตอบของช้อยก็บอกให้รู้ชัดว่าที่พี่เนื่องหมันไปมาอยู่เสมอนั้นก็เพื่อมาหาพลอยมิใช่คนอื่นใจหนึ่งพลอยก็อยากจะออกไปพบพี่เนื่องทุกครั้งแล้วก็อยากจะพูดจะคุยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันอยากได้เห็นหน้าอยากได้ยินเสียงพูดเสียงหัวเราะของพี่เนื่อง แต่ใจหนึ่งก็บอกให้หนีไว้ก่อนการเก็บตัวสงวนตัวในตอนนี้จะทำให้ทั้งพลอยและพี่เนื่องมีราคาสูงขึ้นจนกว่าจะถึงอีกวันหนึ่งข้างหน้าใครจะไปรู้ทีนี้พอช้อยเห็นพลอยทำเฉยเรื่องพี่เนื่องก็เลยไม่ชวนคุยและไม่บอกให้รู้ว่าพี่เนื่องจะมาเมื่อไหร่เพราะว่านิสัยของช้อยนั้นไม่ชอบง้อใคร ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ช้อยรักมากเช่นพลอยก็ตามแต่การนิ่งของช้อยนั่นเองค่ะก็ทําให้พลอยเนี่ยต้องคอยถามข่าวคราวพี่เนื่องจากช้อยแทนซึ่งบางครั้งถ้าช้อยอารมณ์ดีช้อยก็บอกแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่ชิใครอยากรู้เรื่องของใครก็ไปถามกันเองสิแล้วแล้ววันหนึ่ง หลังจากเข้าเฝ้าเสด็จตอนเช้าวันนั้นช้อยมีท่าทีแปลกไปมองดูหน้าพลอยบ่อยๆแล้วก็ยิ้มอย่างมีเลสไนยพลอยนึกเฉลียวใจว่าคงจะมีอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะว่าอยู่ต่อหน้าคุณสายพอคุณสายกินข้าวเสร็จลุกไปช้อยก็เรียกพลอยไปนั่งสองต่อสอง แล้วก็หยิบเอาห่อกระดาษส่งไปให้หอหนึ่งบอกว่าพี่เนื่องฝากมาให้พลอยพลอยรับห่อกระดาษนั้นมาดูมือไม่สั่นทั้งอายทั้งดีใจระคนกันเมื่อแกห่อออกดูปรากฏว่าในนั้นมีแพลเลียนผืนนึงเนื้อดีและขนาดใหญ่พอจะทำแพลเพราะข่มนอนได้แผลนั้นมมวนอยู่รอบนอก ข้างในมีขวดน้ำอบเล็กๆอีกสองขวดรูปร่างเหมือนกันไม่มีผิดเป็นขวดแก้วเจรไนาของนอตามขอบขวดและที่จุกมีเส้นเดินทองเล็กๆเป็นลวดลายขวดหนึ่งนั้นบรรจุน้ำอบฝรั่งและดูใสสะอาดอีกขวดหนึ่งใส่น้ำอบไทยซึ่งละลายแป้งรั่มเติมลงไปมากกว่าปกติและก็แลดูขุ่นข้นไปทั้งขวด ขวดทั้งสองมักติดกันด้วยริบบิ้นสีชมพูแล้วก็มีกระดาษแผ่นเล็กๆพับกลางสอดไว้ระหว่างขวดพลอยคลี่กระดาษนั้นออกอ่านอย่างลุกลี้ลุกลนและพออ่านจบก็รู้สึกว่าตัวเย็นวูบมืออ่อนเท้าอ่อนจนแทบจะกระดิกไม่ได้ แต่เมื่อช้อยช่วยเอากระดาษนั้นไปอ่านบ้างพลอยก็ไม่มีกำลังใจกำลังกายที่จะไปห้ามปรามขัดขืนหรือว่าแย่งขืนมาได้ชอยเริ่มอ่านข้อความในกระดาษนั้นด้วยเสียงเบาๆ เ, เป็นกรอนว่า กระดาษน้อยแทนปากฝากมาถามว่าป่วยไข้เป็นอย่างไรใครรู้ความหรือโชมงามเคืองขัดหัตถยาแต่ก่อนนี้เคยได้พบประสบพักเคยถามทักเสสวนชวนหันษาชาไหนกลับห่างเหินไม่เมินมาหรือหวงหน้าหวงตัวกลัวหยิบยืมเหมือนกระต่ายหมายแขที่วแลนหลง แสงเพนส่งมาสักน้อยก็พลอยปลื่มเคยสัญญาว่าอย่างไรไม่รู้ลืมยิ่งดูดดื่มสเสน่หานึกอาวรขวดน้อยใส่น้ำใสเหมือนใจพี่เมื่อเดยนมารสีดวงสมอนอีกขวดขุ่นมองเห็นเป็นตะกรนเหมือนอกพี่เมื่อเจ้าจรไปลับตาเพียงสังเกตก็พอรู้อยู่ว่ารักอกจะหัก เสียด้วยความสเสน่หาอันแพร่เลี้ยนเตียนดอกขอบอกมาเหมือนอุราเรียมที่ว่างอ้างว้างเอ่ยโอ๊ยฉันจะอ้วกพี่เนื่องนะพี่เนื่องแค่นจะแต่งเพลงยาวกับเขาด้วยแล้วชอยก็หัวเราะอย่างคบขันเสียเต็มประดาว แต่วันนั้นเป็นต้นมาช้อยก็เริ่มเอาอกเอาใจพลอยเป็นพิเศษกว่าที่เคยทํามานะคะถึงแม้ว่าตอนแรกๆช้อยจะเห็นเป็นเรื่องขบขันเสียเต็มประดาก็ตามช้อยเห็นใจพลอยที่ต้องรู้สึกอับอายและก็ช่วยปกปิดเรื่องการติดต่อของพี่เนื่องให้อย่างแข็งแรงพลอยรู้สึกดีขึ้นเพราะอย่าง น, น้อยๆความรักที่สุ่มอยู่ในอก ก็มีโอกาสได้ระบายแล้วก็มีคนรับรู้นั่นก็คือชอยการที่รักใครแล้วไม่มีใครรับรู้เลยนั้นมันก็เป็นความอัดอัน้นตันใจอย่างหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดมีคนรับรู้แม้เพียงสักคนหนึ่งให้พอได้พูดคุยได้ระบายอย่างน้อยๆก็ดีขึ้นเยอะละคะ่ะพรอยก็เป็นเช่นนั้นชอยนั้นรู้สึกเห็นใจเห็นใจพรอยมากนะคะและก็ดูเหมือนว่าจะรักพรอยมากขึ้นด้วย ในความรู้สึกของพลอยนั้นพี่เนื่องเป็นคนที่น่ารักที่สุดแม้ว่าชอยจะมองพี่ชายตัวเองว่าเป็นคนรักสนุกรักสบายมากไปโดยชอยบอกว่าที่พี่เนื่องเป็นแบบนี้เพราะว่าทางบ้านของชอยก็เป็นอย่างนั้นทุกคนคือบ้านของชอยมีลักษณะที่สบายๆเป็นคนที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะจริงจังอะไรนักนะคะ เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราวหัวเราะได้เรื่อยคือจะว่าไปก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นคนรักสนุกรักสบายแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับอะไรมากเป็นพิเศษแต่ในความรู้สึกของพรอยตอนนั้นนี่หลักคือคนที่น่ารักที่สุดคนที่พลอยใฝ่ฝันที่จะได้ติดตามไปจนตลอดชีวิตได้อยู่ใกล้ใก้ คอยปฏิบัติให้พี่เนื่องได้มีความสุขความสบายเพียงแค่ได้ยินเสียงพี่เนื่องหัวเราะก็เป็นรางวัลอย่างเดียวที่พลอยปรารถนาแล้วคือชีวิตของพลอยตอนนี้มีพี่เนื่องเป็นเป้าหมายในขณะที่ช้อยมองว่านั่นแหละนะวิสัยอย่างพี่เนื่องคนบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้ลางเนื้อชอบลางยาต่างคนก็ต่างใจ แต่อย่างฉันเนี่ยเห็นจะอยู่กับคนอย่างพี่เนืองไม่ยืดถ้าฉันจะมีเรือนนะพลอยฉันก็อยากจะได้คนที่เป็นหลักเป็นฐานฉันไม่ชอบคนล่องลอยเอาแต่สนุกอย่างพี่เนืองหรืออย่างคุณพ่อหรอกพลอยฟังแล้วก็รู้สึกแปลกใจนะคะเพราะว่าสำหรับพลอยนั้นบ้านของช้อยเป็นครอบครัวที่น่ารักสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองทำไมล่ะช้อยฉันเห็นคุณพ่อของชอยดีออก และที่บ้านชอยก็กลมเกลียวกันดีออกจะตายไปก็นั่นน่ะสิฉันเกิดมากับเขาชาติหนึ่งเห็นแต่คนสนุกคนใจดีหัวเราะกันบันยังค่ําเบื่อเสียแล้วฉันสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าถ้ามีผัวกับเขาสักทีก็อยากจะได้ผัวดุดุยิ่งมือไว้ตบตีเอาบ้างก็ยิ่งดีไม่งั้นก็อยากจะได้ผัวขี้เมาเออจริงสิฉันรู้แล้วละพลอย ฉันอยากจะได้ผัวขี้มเมาสักคนสนุกดีแล้วฉันจะหาเมียน้อยเอาไว้ให้เยอะแยะทีเดียวไปไหนฉันก็เอาตามหลังไปทั้งฝูงใหญ่โตดีไม่หยอกช้อยเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้พลอยยกมือขึ้นตีขาช้อยเบาๆแต่ก็อดหัวเราะไม่ได้นี่ว่าแต่พ่อโฉมโยงของฉันนั่นเถอะมารืนนี้ก็นัดเอาไว้ว่าจะมาหาฉันอีกแล้วพลอยจะออกไปพบกันไหม พลอยก้มหน้าแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อสันหน้าปฏิเสธโถพลอยก็ออกไปหน่อยเถอะนะสงสารแกนะนะคนดีคนดีสงสารแกหน่อยเถอะแกไม่เคยหอกเรื่องพันอย่างนี้ฉันรู้จริงๆนะแต่พลอยก็ยังคงยืนกลานอยู่นั่นเองจนกระทั่งช้อยอ่อนใจถ้าอย่างนั้นจะสั่งเสียออกไป จะว่ายังไงก็ได้หรือฝากอะไรไปให้แกสักหน่อยเดี๋ยวแกคลั่งขึ้นมาไปผูกคอล้มต้มคอตายฉันไม่รู้ด้วยนะหมู่นี้ตาแกยิ่งขวางๆอยู่ด้วยพรอยได้ยินชอยพูดก็ใจหายจิงพยักษน่ารับคำชอยแล้วก็ตอบด้วยเสียงเบาๆว่าดูไปก่อนนี่คือผู้หญิงในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะยิ่งรักยิ่งอยากเจอ ก็ไม่ไปเจอแต่เวลาอยู่คนเดียวพรอยก็จะแอบเอ า, เ, อ า, เ, อาเพลงยาวที่พี่เนื่องเขียนมาให้เนี่ยเอามาอ่านแล้วอ่านอีกจนกระทั่งจำกรอนได้ขึ้นใจแล้วก็จำลายมือพี่เนื่องได้ติดตาแต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จะเก็บกิริยาเก็บอาการนะคะทีนี้คืนวันก่อนที่พี่เนื่องจะมาตามนัด ้อยก็เย็บซองใส่หมากครูอย่างประนีตบรรจงแบบสุดฝีมือเจียนหมากชนิดเปลือกเป็นฝอยแล้วก็จีบครูยาวใช้ปูนใส่ใบเนียมอบหอมกลุ่นแล้วก็ยาฝอยอบรุ่งเช้าก็เอามากครูแล้วก็ยาฝอยที่เตรียมเอาไว้ใส่ซองเอาผ้าเช็ดปากใหม่ที่อบควันเทียนแล้วก็ดอกไม้เอาไว้เนบซอง พร้อมกับดอกจำปาอีกสามดอกจากนั้นก็แอ บ, บส่งให้ช้อยในตอนเช้าโดยที่ไม่พูดจาอะไรช้อยเห็นของก็เข้าใจแม่จา้าโว้ยสิ้นฝีมือกันคราวนี้เองฉันต้องเอาเยอดมติดออกไปด้วยเดี๋ยวคนรับจะดีใจจนเป็นลมเป็นแล้งไปจะได้แก้ไขได้ทันระหว่างที่ช้อยออกไปประตูบงังพรอยก็นั่งคอยให้ช้อยกลับด้วยหัวใจเต้นประทึก เปิดตู้หยิบแพรเลี่ยนที่พี่เนื่องฝากมาให้ออกมาเพราะสอยตะเข็บแพรผืนนี้พล่อยตั้งใจว่าจะทําเป็นแพรห่มนอนสอยตะเข็บแล้วก็จะไปจ้างขอย้อมมาเกลือที่แถวเตงย้อมแล้วก็จะอบให้หอมแล้วก็จะร่ําให้ได้ที่แล้วก็จะใช้ห่มนอนต่อไปบางทีเมื่อห่มแล้วก็จะได้ฝันถึงเจ้าของแพรบ้างใครจะไปรู้ วันนั้นชอยก็ยิ้มแต้กลับมาที่ตําหนักพลอยนั้นใจเต้นอยากจะฟังข่าวพี่เนื่องแต่ด้วยความอายทําให้พลอยนั้นไม่ได้ถามนิ่งแล้วก็เฉยเสียส่วนชอยก็แกล้งทําเฉยเหมือนกันเพราะเห็นว่าพลอยไม่ถามขึ้นก่อนจนกระทั่งตกกลางคืนชอยจึงบอกพลอยว่าพลอยพี่เนื่องเขาสั่งให้มาขอบใจแนะ่นี่ พี่เนื่องอ่ะเขาดีใจแทบจะกระโดดโลดเต้นทีเดียวนะพอได้ยินฉันบอกว่าพลอยฝากของไปให้รับซองหมากไปมือไม้สั่นแล้วก็สั่งให้ฉันมาบอกพลอยว่าหมากที่ส่งไปให้นั่นน่ะเขาจะกินแค่คําเดียวแล้วที่เหลือเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งซองเอาไว้ดูงั้นแหละแล้วชอยว่ายังไงฉันก็บอกว่าจะไปเก็บเอาไว้ทําไม หมดแล้วก็ยังมีคนส่งไปอีกชาตินี้เห็นจะไม่มีโอดบลอกหมากพลูนะ่ะฉันไม่รู้ด้วยนะชอยใครเป็นพี่น้องกับใครก็หาส่งกันเอาเองก็แล้วกันฉันไม่รู้ด้วยหรอ ก, ฉ, กรรอฉันก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันใครมากินหมากกินพลูของน้องชอยแล้วก็บูนกัดปากตายไปฉันไม่รู้ด้วยพลอยได้ยินชอยพูดก็อดขำไม่ได้เพราะว่า ช้อยกินหมากโดยไม่ยอมเจียนหมากจีบพลูกินเองคุณสายเคยเคี่ยวเข็นให้ช้อยจีบพลูให้แต่แล้วก็ต้องเข็ดเพราะว่าพลูที่ช้อยจีบเนี่ยทําให้คุณสายปูนกัดปากจนกระทั่งงอมไปหลายวันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องเจียนหมากจีบพลูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหน้านะคะพลอยก็ถามต่อไปอีกว่าพี่เมืองว่ายังไงอีกบ้างหรือเปล่าเฮ้เขาก็สรรเสริญแม่พลอย เราก็เป็นเทวดาน่ะสิสวยก็อย่างนั้นดีก็อย่างนั้นจะมองอะไรก็ให้มันดีไปหมดฉันก็ถามเขาว่าก็เมื่อเห็นดีอย่างนี้แล้วจะทําอย่างไรเล่าเขาก็บอกว่าพอเขาออกไปเป็นนายทหารไปตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีแล้วเขาก็จะมารับพลอยไปอยู่ด้วยตกลงกันเสร็จแลนะแม่คุณเรากับว่าไปช่วยฉันมาจะมารับเมื่อไหร่ฉันก็ต้องไปเมื่อนั้นไม่ต้องใต่ต้องถามกันละ โทรไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแม่พลอยพี่เนื่องแกเจตนาดีจริงๆแม่พลอยก็รู้อยู่แก่ใจฉันไม่เคยได้ยินแกพูดเอาจริงเอาจังเหมือนคราวนี้เลยนะจริงๆนะพลอยพี่น้องของใครใครก็รักเมื่อรักก็ห่วงอย่างพี่เนื่องเนี่ยฉันก็หัวเหมือนกันถ้าได้กับคนอื่นแล้วก็จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเป็นพลอยฉันจะดีใจมากเพราะพลอยกับฉันรักกันมาก เราเคยสนิทกันมาอย่างไรก็จะได้สนิทกันต่อไปเฮ้อฉันนะพูดไม่ถูกกรอกของพันอย่างนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวจะมาหาว่านางช้อยเป็นแม่สื่อชอยอย่าวิตกแล้วก็อย่าคิดมากไปเลยฉันกับช้อยอยู่มาด้วยกันตั้งแต่เล็กๆถึงฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันกับช้อยก็คงไม่ลืมกันในกระบวนคนรู้จักชอบพอกัน ก็เห็นจะไม่มีใครที่ฉันจะรักมากเท่าชอยคอยดูไปก็แล้วกันจะสังเกตว่าไม่ใช้คําว่าเพื่อนนะคะคือในประธานุกรมของชาววังในยุคนั้นไม่มีคําว่าเพื่อนค่ะถ้ามีก็ต้องบอกให้ชัดว่าเป็นเพื่อนอะไรคือคําว่าเพื่อนนั้นมีแต่ว่าไม่ได้ใช้ในความหมายเหมือนเช่นปัจจุบันถ้าจะใช้ก็ต้องมีคําอื่นประกอบอย่างเช่นเพื่อนเล่นเพื่อนคุยนะคะ ถ้าบอกว่าใครเป็นเพื่อนกับใครโอ้โหอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องเลยทีเดียวฉะนั้นพลอยกับชอยเนี่ยจึงเป็นคนรู้จักชอบพอกันมาแต่เด็กๆไม่ยอมพูดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นอันขาดนะคะและก็สําหรับพลอยนั้นถ้าใครมาทอดสะพานชวนเป็นเพื่อนพลอยก็จะวิ่งหนีทุกครั้งไปส่วนช้อยนั้นใครขืนมาจะขอให้เป็นเพื่อนเนี่ยก็เป็นเจ็บตัวละค่ะเพราะชอยก็คงจะด่าให้เจ็บๆด้วยถ่อยคําหยาบคายชนิดที่พลอย คนฟังไม่ไหวพรอยเคยถามช้อยนะคะบอกว่าไปหาถ้อยคำเหล่านั้นมาจากไหนช้อยก็บอกว่าไปเก็บตกมาจากแถวทิมโครนถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ใช้นันคำว่าเพื่อนในยุคนั้นนี่ก็อารมณ์ประมาณหญิงรักหญิงสมัยนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะ ไม่มีผู้ชายก็คงจะต้องมีเรื่องแบบนี้บ้างนะคะรักร่วมเพศในยุคนั้นแต่เขาใช้คำว่าเพื่อนนะคะต่อมาค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพี่พี่เนื่องกับพลอยเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่เป็นที่รู้กันเข้าใจกันพี่เนื่องก็ฝากเพลงยาวและก็ของฝากมาให้พลอยบ่อย ส่วนการที่พลอยไม่ยอมออกไปเจอก็ทําให้ช้อยกับพี่เนื่องเข้าใจไปโดยปริยายว่าพลอยก็มีความรู้สึกตอบแทนเช่นเดียวกันอยู่มาอย่างนั้นจนถึงวันหนึ่งอีกสี่ห้าเดือนต่อมาช้อยก็มาบอกพลอยว่าพลอยพี่เนื่องสั่งมาว่าวันพระหน้าให้ออกไปพบให้ได้ฉันไม่ไปนี่ฟังฉันก่อนซี่ พี่เนื่องเขาออกเป็นนายทหารแล้วนะนายเขาสั่งให้ขึ้นไปอยู่นครสวรรค์จะต้องไปเร็วๆนี้แม่แกร้องไห้น้ําตาเป็นเผาเต่าไปแล้วเขาสั่งฉันมาให้พลอยออกไปให้ได้เขาอยากจะมาลาไปเสียหน่อยเถอะนะพลอยพลอยใจหายว่างจริงเหรอชอยอย่ามาหลอกฉันนะแล้วพี่เนื่องจะไปเมื่อไหร่จริงสิ ใครจะมาหลอกกันเล่าเรื่องแบบนี้เขาบอกฉันว่าขอให้ได้พบแล้วก็พูดจา ก, กับพลอยสักครั้งแล้วเขาก็จะรีบไปรอนานไม่ได้พลอยฟังแล้วก็อยากจะนั่งลงร้องไห้ตรงนั้นนะคะกคำเวีอันใดหนอที่ทําให้คนที่พลอยรักต้องจากไปอีกแล้วความหลังที่ผ่านมากลับมากระทบหัวใจแม่เคยจากพลอยไปบ้านนอกแล้วในที่สุดก็จากไป โดยไม่มีวันกลับคราวนี้พี่เนื่องพลอยต้องสั่งให้ตัวเองหยุดเพราะไม่กล้าคิดออกไปให้ไกลกว่านั้นพลอยไม่ได้รับปากกับช้อยว่าจะออกไปพบกับพี่เนื่องหรือไม่แต่สีห้าวันต่อมาช้อยก็เข้าใจเอาเองได้ว่าพลอยต้องออกไปพบกับพี่เนื่องแน่ๆในครั้งนี้เพราะว่าพลอยเที่ยวหาหีบเล็กๆมาได้ใบหนึ่ง และก็เริ่มปรึกษากับช้อยถึงเรื่องที่จะหาของบรรจุสำหรับให้พี่เนื่องเอาติดตัวไปด้วยช้อยก็แนะนำว่าน่าจะเป็นของกินยิ่งเป็นของกินจุบกินจิบด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะว่าพี่เนืองนั้นถึงแม้จะโตเป็นหนุ่มรักผู้หญิงได้แล้วแต่พี่เนื่องก็ยังไม่ทิ้งนิสัยที่ชอบกินขนมไม่เป็นเวลามเวลาระหว่างนั้นพลอยขึ้นเฝ้าเสด็จไม่นานก็ต้องหาโอกาสตรงมาทำของกินใส่ขวดบรรจุหีบสำหรับให้พี่เนื่องของบางอย่างก็ทำเองบางอย่างก็ซื้อจากคนขายที่มีชื่ออยู่ในวังมีน้าพริกลูกหมากม า, กมากงงไหมคะน้าพริกลูกหมากม า, ก, มา ก, ก็คือ หมากมาศคือมะแขว่นนั่นเองก็เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะในสมัยนั้นมีการใช้มะแขว่นเอามาทําเป็นน้ําพริกด้วยแล้วก็มีน้ําพริกผัดพลอยสั่งทําเป็นพิเศษนะคะให้รสออกหวานไว้เพราะว่าพี่เนื่องชอบรสหวานแล้วก็มีหมูหยองที่ช่วยกันทำสองคนกับช้อยมีมะขามฉาบขนมกรุบขนมกรอบลูกบัวผัด พลอยก็กะสําหรับให้พี่เนืองขนเอาไปกินด้วยหลายวันการที่ทําของเหล่านี้ก็ทํากันในเวลาว่างแล้วก็ให้ช้อยออกหน้าเพราะว่าถ้าช้อยทําของกินเตรียมส่งให้พี่ชายไปบ้านนอกก็ไม่น่าเกลียดโดยที่พลอยนั้นก็เป็นแต่เพียงลูกมือคือช่วยในฐานะลูกมือก็ไม่มีใครว่าอะไรได้ของอีกอย่างหนึ่งก็คือแพลเพราะ ผืนที่ทำจากแพรที่พี่เนื่องให้แล้วพลอยได้ใช้ห่มนอนแล้วนั่นเองนะคะพลอยเอามาลงลูกซัดใหม่แล้วก็อบร่าเตรียมไว้จนถึงเวลาที่จะได้นำไปมอบให้คือแพรพผืนที่พี่เนื่องส่งมาให้พร้อมกับเพลงยาวฉบับแรกนะคะเอามาอบร่าใหม่พลอยก็ใช้เวลาทั้งหมดตระเตรียมของ เพื่อที่จะไม่ให้ใจเนี่ยนึกไปถึงเรื่องความทุกข์ที่พี่เนื่องจะต้องจากไปไกลนี่พี่เนื่องไปคราวนี้ ฉันว่าเห็นทีจะต้องเช่าเรืออีกลำเป็นแน่เอาไว้เป็นทุกข์ของฝากแม่พลอยชอยพูดเล่นเมื่อเห็นของกินที่พลอยเนี่ยตระเตรียมเอาไว้ให้พี่เนืองคือจริงๆก็ตระเตรียมด้วยกันนะคะแต่ว่าตระเตรียมแบบที่ เต็มอกเต็มใจและดูเหมือนว่าจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงด้วยซ้ำและในที่สุดวันที่พี่เนื่องจะมาลาก็มาถึงวันนั้นพลอยตื่นแต่เช้าเรียกนางพิษให้มายกของตามออกไปพลอยแต่งตัวอย่างพิถีพิถันแต่ไปในทางตรงกันข้ามผัดหน้าแต่งตัวอย่างระวัง เพื่อให้พี่เนื่องเห็นก็รู้ได้ว่าใจของพลอยนั้นเศร้าหมองเพียงใดยิ่งใกล้เวลาเข้ามาพลอยก็ยิ่งลังเลว่าจะออกไปดีหรือไม่ดีแต่ช้อยก็เป็นผู้มาตัดสินใจให้ด้วยวิธีบอกว่าไปเถิดพลอยพี่เนื่องแกจะต้องไปหัวเมืองนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าได้พบกันเสียหน่อย แกจะได้ไปสบายสบายไม่ต้องกังวลนั่นล่ละพอจจึงตัดสินใจที่จะออกไปพบพี่เนื่องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พี่เนื่องจะจากไปหัวเมืองที่นครสวรรค์ ในที่สุดคะ่ะพลอยก็ตัดสินใจออกมาพบพี่เนื่องจากคําพูดของชอยนั่นเองนะคะที่บอกว่าพี่เนื่องจะไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไปพบสันหน่อยพี่เนื่องก็จะได้สบายใจคือไปแบบสบายๆไม่ต้องกังวล น, นะคะทีนี้เมื่อชอยและพลอยพร้อมด้วยนังพิษ ซึ่งเป็นผู้ช่วยถือหีบของแล้วก็ห่อผ้าตามหลังก้าวพ้นประตูวังออกไปพี่เนื่องก็มายืนคอยอยู่แล้วพอเจอหน้าพลอยพี่เนื่องก็ดีใจมากนะคะพลอยเองก็ดีใจความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นในใจคือความดีใจที่พุ่งขึ้นมาจนแทบจะทําให้พลอยนั้นวิ่งเข้าไปหาพี่เนื่องเหมือนเมื่อครั้งเป็นเด็กๆพี่เนื่อง รีบสาวเท้าเดินเข้ามาหาพลอยด้วยความดีใจแม่พลอยไม่ได้พบกันมานานแทบจําจไม่ได้แม่พลอยสบายดีหรือก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรคนบ้าถ้าไม่สบายจะออกมาถึงที่นี่ได้ทีหรือแกสิบ้าใหญ่ช้อยยิ่งโตก็ยิ่งบ้าขึ้นทุกวันแม่พลอย อยู่ด้วยกันไม่ลำคาญบ้างหรือพลอยหัวเราะในขณะที่ชอยก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นสิฉันติดโรคบ้ามาจากใครล่ะนี่พิษฉันเน่เป็นบ้าไปซะแล้วล่ะพิษเป็นบ้าหรือเปล่านางพิษหัวเราะงอหายวางหีบกระพอของลงแล้วก็ตอบว่าบ้าเจ้าค่ะครบห้าร้อยจำพวกเลยเชียวดีมากงั้นเราก็ไปได้กันได้ ไปทางโน้นกันเถิดพิษคุณอาสั่งมาให้ซื้อส้มกับน้วยนาติดมือเข้าไปด้วยปล่อยคนดีๆเข้าคุยกันทางนี้ก่อนเถอะชอยกับนางพิษก็เปิดโอกาสให้นะคะพอเดินคล้อยไปพี่เนื่องก็ถามพลอยว่าแม่พลอยเอาอะไรออกมาแยะเชียวของฉันกับช้อยช่วยกันทําให้พี่เนื่องเอาไปหัวเมืองด้วยดีจริง พี่เนื่องก้มลงดูของในหีบปากก็พร่ำบรรยายบอกก็ถูกใจไปหมดทุกอย่างและเมื่อแก้หอ่อเพาห่มนอนออกดูพี่เนื่องก็มองดูหน้าพลอยก่อนที่จะถามว่าแม่พลอยแพรผืนนี้ใหม่หรือว่าแม่พลอยเคยห่มแล้วถามอะไรก็ไม่รู้พลอยพูดแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่น คแค่นี้คนสมัยก่อนเขาก็อายกันจะแย่อยู่แล้วนะคะฉันถามจริงๆเธอนาะไม่พลอยบอกหน่อยเถอะถ้าไม่พลอยห่มแล้วแพรผืนนี้ก็จะมีราคามากพลอยพยักหน้าแล้วก็ก้มลงมองดินไม่ยอมศบสายตาพี่เนื่องอีกต่อไปพลอยแพรเพราะผืนนี้ฉันจะห่มไปจนตายไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไหน ฉันจะไม่ยอมให้ห่างตัวฉันเลยพรอยฟังแล้วก็รู้สึกใจวิววิวตัวเบาเหมือนกับปลอยพรอยคลองตัวไว้ให้ดีฉันไปไม่นานหรอกพอเป็นหลักเป็นฐานอีกหน่อยฉันจะกลับมารับเราก็อายุยังน้อยอยู่พรอยคอยฉันอีกหน่อยจะได้ไหมพรอยไม่ไปไหนหรอกถ้าพี่เนื่องพูดจากับผู้ใหญ่ได้พรอยจะไปไหนเสีย ผู้ใหญ่ของฉันท่านว่าให้รอไปก่อนเพราะว่าทั้งฉันและพลอยก็ยังเด็กนะักท่านก็ว่าของท่านถูกแต่อกฉันจะแตกตาอยู่แล้วและพลอยฉันแทบจะรอไปไม่ไหวจริงๆพี่เนื่องอย่าวิตกทางฉันเลยนะทาอย่างไรเสียฉันก็ต้องรอพี่เนื่องจนได้และไม่พลอยเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ได้พบกันนานฉันคิดถึงเสียแย่ช่างไปหมกตัวอยู่ได้ไม่คิดถึงฉันบ้างหรอก็คิดถึงเหมือนกันแต่ถ้าออกมาพบกันบ่อยนักฉันก็กลัวคนเขาจะว่าได้ฉันก็ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของพี่เนื่องอย่างชอยเราก็โตขึ้นด้วยกันแล้วไม่ใช่เด็กๆเหมือนเมื่อก่อนฉันจะทําอะไรก็ต้องระวังตัวคนที่เขาไม่ชอบก็มีอยู่ คนในวังเขาก็หูไวตาไวเรื่องราวอะไรที่ไม่เป็นเรื่องบางทีก็โจดจันกันไปฉันไม่อยากเป็นขี้ปากคนอื่นฉันก็เห็นใจแม่พลอยมากแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยก็ควรจะเห็นใจฉันบ้างช่วชีวิตฉันตั้งแต่เด็กมาจนโตก็ไม่มีใครอื่นเห็นแต่แม่พลอยคนเดียวมาตั้งแต่เล็กๆแต่แรกฉันเองก็ไม่รู้หรอกรักแม่พลอยเหมือนน้องในไส้ แต่อยู่ไปใจมันก็เปลี่ยนไปฉันมันคนใจเดียวหลงได้ปร่งใจแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนแม่พลอยจำไว้นะพี่เนืองนี่ก็หวานทีเดียวนะคะในขณะที่พลอยก็ตอบว่าฉันเชื่อใจพี่เนืองฉันเองก็ใจเดียวเหมือนกันพี่เนืองอย่าสงสัยเลยแล้วคุณพ่อของพี่เนืองท่านว่าอย่างไรบ้างเรื่องตัวฉันนะ่ะท่านจะไปว่าอะไรได้ ท่านบอกว่าท่านรักแม่พลอยเหมือนลูกส่วนที่เมื่อถึงเวลาแล้วจะไปพูดจาทางผู้ใหญ่ของแม่พลอยนั้นท่านว่าทางเจ้าคุณพ่อของแม่พลอยก็คงจะไม่ขัดทางเสด็จก็คงจะดีเพื่อไทยแต่แล้วท่านก็ว่าฉันยังเด็กนักให้รอไปอีกหน่อยจะได้ดูลูกทางตั้งเนื้อตั้งตัวซะก่อนแล้วท่านจะจัดการให้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละพี่เนื่องใจหนึ่งก็อยากจะตามใจพี่เนื่อง แต่อีกใจหนึ่งก็ยังกลัวกลัวชบกลกลัวอะไรเหรอแม่พลอยก็ไม่รู้คิดถึงเรื่องการมีเย่ามีเรือนฉันก็ใจคอหายชบกลนฉันก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเคยอยู่แต่กับผู้ใหญ่ออกไปเป็นแม่เรือนจะทําได้แค่ไหนฉันก็ยังนึกไม่ออกถ้าพี่เนื่องไม่ถือคอยช่วยตักช่วยเตือนก็ดีไปฉันกลัวพี่เนื่องจะเบื่อฉันเท่านั้นแหละโธ่แม่พลอย พูดอะไรอย่างนั้นจะสงสัยฉันไปถึงไหนถ้าฉันผ่า อ, อกให้ไม่พลอยดูได้ฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวนี้แหละโอ๊อยฉันไม่อยากดูหรอกนพี่เนื่องเจอผู้หญิงที่ไหนก็คงจะพูดอย่างนี้ทุกคนไปละสิปากหวานดีนะักยังก็ อ, อกเป็นส้มสูกลูกไม้ผ่าออกให้ดูกันได้อย่างนั้นแหละหาความแท้ๆทีเดียวฉันจะไปเที่ยวพูดกับผู้หญิงที่ไหนไม่เคยสักทีว่าแต่ตอนที่ฉันไปหัวเมืองคราวนี้เถิด แม่พลอยจะลืมฉันเสียก็ไม่รู้ยังกบว่าลืมกันได้ง่ายๆว่าแต่คนไปเถิดจะลืมเสียก่อนนะไม่ว่าเขาว่าผู้หญิงทางเหนือสวยเสียด้วยฉันไม่มีตาจะมองใครหรอกแม่พลอยตั้งแต่รู้จักผู้หญิงมาฉันก็มองแต่แม่พลอยคนเดียวถ้อยคาที่ทั้งคู่โตตอบกันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีสาระ แต่ทุกคำก็เป็นเสมือนเชือกที่มัดหัวใจของพลอยไว้กับพี่เนื่องทีละป้องยากที่จะตัดให้ขาดได้ขณะนั้นช้อยเดินกลับจากประตูวังนางพิษก็ถือผลไม้ที่ซื้อมาจากหาบตามหลังมาเอาสั่งเสียกันเสร็จหรือยังฉันจะได้สั่งของฉันบ้างแล้วช้อยก็ชวนพี่เนื่องพูดคุยตลกขนองไปตามเรื่องทาให้ใคลายความเคร่งเครียดจนถึงเวลาที่จะต้องกลับเข้าวัง ฉันลาละพี่เนื่องกลับช้าเดี๋ยวคุณอาเอ็ดตายไปดีมาดีเถอนนะกลับมาก็หาของมาฝากฉันบ้างลาละช้อยพี่ไปไม่นานหรอกอยู่ดีๆนะไม่พลอยอย่าขี้แยนักแล้วก็ช่วยดูดูยายช้อยให้ฉันด้วยอย่าปล่อยให้คลุ้มคลั่งนักฉันกลัวจะขายหน้าเขาช้อยกับพลอยเดินกลับวังอย่างไม่รีบรเร่งพลอยรู้สึกว่าเนื้อตัวที่เดินกลับนั้นเหมือนโครงอันว่างเปล่า ทุกอย่างที่มีความสำคัญดูเหมือนว่าจะได้ละเอาไว้กับพี่เนื่องโดยสิ้นเชิงและก่อนที่จะก้าวข้ามทรณีประตูเข้าไปพลอยเหลียวหลังไปดูก็เห็นพี่เนื่องยังยืนอยู่ที่เดิมมองดูพลอยจนลับตาไปเหมือนกันวันคืนผ่านไปพลอยก็ยังคงคิดถึงพี่เนื่องอยู่ไม่รู้ลืม พี่เนื่องหายไปได้เดือนหนึ่งแม่ฉันแม่ของช้อยก็เข้ามาในวังถือชะลอมมาหลายใบบอกว่าเป็นของที่พี่เนื่องฝากคนให้เอามาให้ทางบ้านพร้อมกับสั่งมาด้วยว่าให้แบ่งมาทางในวังบ้างแม่ฉันเข้ามานั่งคุยอยู่ทั้งวันกลับไปเมื่อตอนที่ใกล้ประตูวังจะปิดแม่ฉันนั่งคุยถึงพี่เนื่องแล้วก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้าง ส่วนมากก็คุยกับช้อยและคุณสายโดยมีพลอยที่นั่งฟังด้วยความสนใจเป็นที่สุดฉันเน่ะใจจะขาดเส้ให้ได้ทีเดียวหัว อ, อกแม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นทุกคนกระมังลูกเคยเลี้ยงมาในอกถึงเขาจะโตเป็นหนุ่มจนเป็นนายทหารแล้วก็ยังเห็นเป็นเด็กอยู่นั่นเองพอถึงคราวจะต้องทิ้งกันไปไกล ใดมันก็หายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะเลยฉันร้องไห้เหมือนกับว่าเขาจะเอาลูกไปฆ่าจนคุณหลวงนี่ดุฉันหาว่าฉันไปทำบ้าให้เขาขายหน้าคนเฮ้อแต่ก็นั่นแหละฉันไน้ใจขอไม่ดีตั้งแต่นั่งเรือไปด้วยกันจากกรุงเทพแล้วพอเรือเราไปจอดเทียบเรือทหารที่เขามาคอยรับนั่นสิฉันเนี่ยจะอกแตกตายซะให้ได้ทีเดียวตอนนั้นมันก็ช่างยุ่งกันเสียเหลือเกิน ฝนก็ตกไอ้เหลือก็โครงฉันก็เป็นคนกลัวเรือกลัวแพอยู่แล้วพอพ่อเนื่องเขามากราปลาที่ตักจะลาข้ามเรือไปก็เลยปล่อยโฮซียุกใหญ่คุณสายก็เลยถามขึ้นว่าร้องไห้รักลูกหรือว่าร้องไห้กลัวเรือแม่ฉั้นหัวรอ ก, กริกก่อนจะตอบว่าวุ้ยก็ด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละแม่สายฝ่ายพ่อเนื่องก็ไม่ฟังอีรากค่ะอีรมละกราบพ่อแม่แล้วก็โดดข้ามเรือไปทีเดียว ข้าวของไม่นำพาต้องช่วยกันส่งของชุนละมุนไปหมดเด็กสมัยนี้มันแปลกจะไปไหนมาไหนไม่เห็นมันเป็นห่วงข้าวห่วงของเห็นห่วงอยู่แต่ห่อของห่อเดียวเท่านั้นนั่งกอดอยู่กับตัวตั้งแต่ออกจากกรุงเทพพอเปลี่ยนเรือก็ถือข้ามไปเองไม่ยอมให้ใครถือให้ชอยก็เลยถามว่าเอ๋ห่ออะไรนะแม่ เขาว่าห่อแพรเพราะข่มนอนไม่รู้ไปได้มาจากไหนดูเป็นห่วงเป็นใยเสียจริงๆฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าพอเนื่องเป็นคนขี้หนาวมาแต่เมื่อไหร่เมื่อเด็กๆขี้ร้อนออกจะตายไปข่หมผ้าให้เท่าไหร่ก็ดิ้นหลุดหมดช้อยเมินหน้ามองฝ้าเห็นจิงจบเกาะอยู่ตัวนึงก็หัวเราะหัวเราะ อ, อะไรช้อยหัวเราะจิ่งจบหัวเราะทำไมไม่รู้สิคะหน้าตามันขันดีคนบ้า เมื่อไร่จะเริกเป็นเด็กสักทีก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าไปเอาโรคบ้ามาจากไหนจริงๆนะไม่ช้อยนี่เอามาจากฉันกระมังคะคุณฉันเองบางทีก็นั่งหัวเราะคนเดียวไม่มีปีไม่มีครุยเหมือนกันแม่ชันแก้แทนลูกสาวอย่างอารมณ์ดีนะคะจากนั้นก็เล่าถึงพี่เนื่องต่อไปในขณะที่พลอยก็นั่งก้มหน้านิ่งดูกระดานใบหน้าร้อนวูบวาบใสหนึ่งภาวนา อย่าให้ตนแสดงอาการพิรุษจนคุณสายจับได้อีกใจหนึง่งก็ได้แต่นึกถึงพี่เนื่องพี่เนื่องทูลหัวของพลอยพลอยรู้แล้วว่าพี่เนื่องรักพลอยจริงเพียงแพรเพราะผืนเดียวที่พลอยเคยห่มและยกให้พี่เนื่องก็ยังอุตส่าห์แยกถือไปต่างหากมิให ป, ปนกับของอื่นแล้วก็นั่งกอดห่อแพรเพราะตั้งแต่กรุงเทพจนถึงบางปะอินบางทีอาจจะนั่งกอดต่อไปจนถึงนครสวรรค์ป่านนี้เวลานี้พี่เนื่องจะทําอะไรอยู่ที่นั่นจะมีเวลานั่งนึกถึงพลอยอย่างที่พลอยกําลังนึกถึงพี่เนื่องบ้างหรือเปล่าหรือว่าพี่เนื่องจะวุ่นวายกับราชการที่ต้องทําเป็นนายทหารต้องทําอะไรบ้างก็ไม่รู้ พี่เนื่องเคยบอกว่าหัตทหารเขาหัดกันอย่างไรพลอยก็ไม่เคยเห็นเขาว่าเป็นทหารก็ต้องไปรบรบกันก็ต้องฆ่ากันพี่เนื่องจะต้องไปรบบ้างหรือไม่ต้องไปฆ่าคนคนอย่างพี่เนื่องแสนที่จะน่ารักแสนที่จะใจดีจะไปฆ่าใครได้หรือคนอื่นเขาจะฆ่าพี่เนื่องแสงสว่างในห้องดูจะสลัวเมื่อนึกถึงตอนนี้ ถ้าพี่เนื่องเป็นอะไรไปพลอยจะทำอย่างไรคิดมาถึงตรงนี้น้ำตาก็เริ่มจะไหลลินออกมาแม่พลอยเป็นอะไรไปชอยถามขึ้ น, น, นดังๆเมื่อเห็นพลอยดูเหมือลอยดูเหมือนตกอยู่ในภวังพลอยสะดุ้ง รีบตอบว่าเปล่าเป็นการปฏิเสธโดยอัตโนมัติส่วนคุณสายคุณสายก็ดุช้อยนี่ก็อะไรไม่รู้เขาก็นั่งของเขาดีๆถามซะปก อ, อกตกใจเอา้าก็ฉันเห็นพลอยเนี่ยเอาชายผู้ห่มขึ้นซับหน้าฉันก็ถามดูเผื่อเป็นอะไรไม่สบายจะได้ช่วยกันแก้ไขชอยเถียงแล้วก็ยิ้มมาทางพลอยแม่ฉันนั้น หันมามองหน้าพรอยแล้วก็อมยิ้มเหมือนกับจะรู้ความในอยู่บ้างแต่ก็พูดอย่างอารมณ์ดีแม่พรอยช้อยมันกวนนักก็ทุกข์มันบ้างเถิดฉันไม่ว่าหรอเอา้าแม่ก็เป็นเสียอย่างนี้แหละเมื่อฉันยังเป็นเด็กๆ ก, ก็คอยแหนุนให้คุณอาเคียนฉันเดี๋ยวนี้ถึงกับหนุนให้แม่พรอยทุบแล้วถ้าเผื่อฉันตายไปแม่จะทายังไงนะฉันน่ะอยากจะรู้นะัก แม่ฉันนั่งเคียวหมากอมยิ้มมองดูพรอยหยิบกระโถนมาบ้วนน้ำหมากช้าๆตาก็ยังคงมองดูพลอยแล้วก็กล่าวว่าถึงช้อยจะตายแม่ก็ยังมีพรอยอีกคนหนึ่งที่แม่รักเหมือนกับลูกในไส้จะมีเสียอยู่ก็ที่ลูกของแม่จะน้อยลงไปคนหนึ่งเท่านั้นที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่มากพอที่จะให้แม่รักได้เลย ความรักของแม่ยังมีเหลือไว้ให้กับหลานที่จะเกิดต่อไปอีกมากคำพูดของแม่ชั้นชั้นชื่นหัวใจพลอยนะพลอยรู้แน่ว่าแม่ชั้นคงจะรู้เรื่องระหว่างพี่เนื่องกับตนแน่นอนแต่ด้วยความใจดีแล้วก็กลัวว่าพลอยจะอายแม่ชั้นก็เลยทำเป็นไม่รู้เรื่อง แต่ก็พยายามพูดเป็นปริศนาให้พลอยเข้าใจว่าแม่ชั้นมิได้มีความรังเกียจในตัวพลอยเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามแม่ชั้นพร้อมที่จะรับพลอยไปเป็นสะพ้ยแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักของแม่ให้โดยสมบูรณ์พลอยรู้สึกตื้นตันในคําพูดของแม่ชั้นอยากจะเข้าไปกอดแม่ชั้นเสียให้เต็มรักแต่ก็ทําไม่ได้จึงได้แต่ยิ้มแล้วก็พยายามบอกด้วยสายตาว่าพลอยขอบใจและก็เห็นใจแม่ชั้นเป็นที่สุด เออฉันก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ฉันเกิดมีลูกแม่คุณเออแหมฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันเกิดมีลูกแม่เดียวกันเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วว่าไงพลอยเราอะลูกแม่เดียวกันแล้วนะนี่เอาใหญ่แล้วนะชอยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณสายดุชอย แต่ขณะเดียวกันนะคะคำพูดของคุณสายก็มีความหมายลึกซึ้งเช่นเดียวกันว่าคุณสายเองก็คงจะรู้เรื่องของพลอยและพี่เนื่องเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายัางไม่ถึงเวลาและก็ไม่ยอมให้คนอื่นๆพูดถึงเหมือนกันแม่ชั้นนั่งคุยกับคุณสายแล้วก็ช้อยต่อไปจนเย็น แล้วก็ลุกขึ้นกระวีกระวาดเก็บเท่าของเพื่อที่จะเตรียมกลับบ้านก่อนที่จะกลับบ้านแม่ชั้นก็หยิบจดหมายฉบับหนึ่งให้ช้อยโดยบอกว่าพี่เนื่องฝากมาให้ในขณะที่พลอยนั้นคอยมาตั้งแต่เช้าจนบ่ายว่าพี่เนื่องจะส่งข่าวคราวมาถึงพลอยอย่างไรบ้างแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีแม่ชั้นไม่ได้พูดถึง พลอยก็ชัก ใ, ใจหายอยู่ช้อยรับทองจดหมายฉีกออกดูดึงกระดาษในซองออกมาแล้วก็ซุกกลับเข้าไปไม่พูดว่าอาะไรต่อเมื่อถึงเวลาแม่ชั้นกลับบ้านพลอยและช้อยก็เดินไปส่งจนถึงประตูวังระหว่างที่เดินกลับตำหนักพลอยก็อดใจเอาไว้ไม่อยู่ต้องเอ่ยตากถามช้อยว่าช้อย พี่เนื่องส่งข่าวมาว่าอย่างไรบ้างช้อยหัวเราะแล้วก็ดึงกระดาษในซองจดหมายออกมาให้ดูในซองนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งซองจดหมายปิดผนึกอีกซองหนึ่งบนกระดาษมีข้อความเขียนไว้ว่าใหญ่ช้อยขอให้ส่งซองนี้ให้แม่พลอยด้วยพี่มาถึงนครสวรรค์แล้วสบายดีเนื่องช้อยหัวเราะแล้วก็บอกว่าจดหมายของฉันมีเท่านี้เองล่ะพลอย ของพลอยบางทีอาจจะมีมากกว่านี้กระมังไหนเปิดออกดูทีหรือแล้วชอยก็ทําท่าจะเปิดซองจดหมายของพี่เนื่องที่มีมาถึงพลอยออกอ่านพลอยรีบดึงจดหมายออกมาจากมือช้อยทันทีแล้วก็ร้องว่าโธ่ชอยก็แม่พลอยหทำไปเอะอะไปได้ฉันก็ล้อเล่นเท่านั้นแหละไม่อยากจะอ่านจริงๆหรอกถ้าฉันอยากอ่านฉันมีอ่านเสีย ก, ก่อนแล้วหรือ พลอยนิ่งไม่พูดว่าอะไรเดินกรำจดหมายพี่เนื่องแน่นมุ้งนา ก, กลับตำหนักด้วยความตื่นเต้นและดีใจพอกลับถึงตำหนักแทนที่พลอยจะเปิดจดหมายพี่เนื่องออกอ่านพรลอยก็เอาจดหมายฉบับนั้นซ่อนไว้ในตู้ทำเหมือนกับเป็นสมบัติอันมีค่าเพียงแค่รู้ว่าพี่เนื่องมีจดหมายมาถึง และจดหมายนั้นอยู่ในครอบครองของตนแล้วจะเปิดออกอ่านเมื่อไหร่ก็ได้แค่นี้ก็ทำให้พลอยอิ่มใจไปทั้งคืนจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นพลอยก็ยังไม่ได้เปิดออกอ่านวันนั้นตลอดทั้งวันโลกช่างหน้าอยู่สินี้กระไรแม้แต่คนที่เคยเห็นหน้ากันก็ดูรื่นเริงซวยสดงดงามเกินความปกติ พลอยทำงานทำการต่างๆด้วยความกระฉับกระเฉงและเบิกบานจดหลายคนต้องทักว่าเป็นอะไรไปและพลอยก็ดูเหมือนว่าจะช่างพูดมากกว่าเดิมเที่ยวทักทายพูดจาเล่นหัวกับใครต่อใครมากกว่าเคยแม้แต่เสด็จก็ยังทรงปรารภขึ้นระหว่างเสวยว่านังพลอยมันกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้วันนี้ถึงกับดูผิวพรรณหน้าตาดีกว่าทุกๆวัน ช้อยซึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆถึงกับก้มหน้าหัวเราะเสียจนเกินขนาดทำให้เสด็จต้องกริ้วแล้วก็แหวะไปว่านั่งช้อยนี่ก็กาเริบขึ้นทุกวันแล้วก็ผ่านกลิ้วเลยไปถึงคุณสายผู้เป็นอาทรงลำดับวงตระกูลของช้อยถอยหลังกลับขึ้นไปอีกหลายชั่วคนถึงชั้นทวดแล้วก็เทียดบอกว่าแต่ละคนก็มีลักษณะหามบ้างบอบ้างกาเริบบ้าง เมื่อกลับลงมากินข้าวด้วยกันข้างล่างคุณสายก็เทศนาอบรมช้อยต่อไปอีกนานซึ่งช้อยก็ใจเย็นนั่งเปิบข้าวกินไปฟังไปจนกระทั่งจบพอคุณสายเทศจบแล้วช้อยก็สรุปความขึ้นเองอย่างน่าฟังว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆการที่เข้ามาอยู่ในวังเป็นข้าหลวงเสด็จนี่ดีดีดดนะได้ความรู้แตกฉาน ฉันก็เพิ่งจะรู้วันนี้แหละว่าปู่ย่าตายายทวดเทียดชั้นชื่ออะไรบ้างแต่ก่อนไม่เห็นจะมีใครบอกฉันสักทีอันนี้ก็เป็นมุกที่หาดีนะครับค <c oughs> ืนวันนั้นตอนดึกค่ะหลังจากเสด็จเข้าบันทมแล้วโคม บ, บนเฉลียงชั้นบนตำหนักยังเหลือจุดปริปรีอยู่ดวงหนึ่งนั่นละค่ะเป็นเวลาที่พลอยค่อยๆหยิบจดหมายของพี่เนื่องออกมาจากตู้แล้วก็เดินเบาๆ ขึ้นไปนั่งใต้แสงสว่างของโคมดวงนั้นแล้วก็เปิดจดหมายออกอ่านนี่คือโลกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะคะความรักของหนุ่มสาวต้องรอต้องคอยความช้าก็มีคุณค่าในตัวเองถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะตอบกลับไปกลับมา หรือไม่ก็อาจจะเห็นหน้ากันทางสกายทางไลน์เรียบร้อยไปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับพลอยกับพี่นึ่งช้าเวลาผ่านไปเป็นวันเป็นคืนพลอยเพิ่งจะได้เปิดจดหมายด้วยใจระทึกนี่คือช่วงเวลาพิเศษมากสำหรับพลอยเวลาดึกสงัดไม่มีผู้ใดมารบกวน ไม่มีกิจการใดเหลือที่จะต้องทำพรอยต้องการทำหัวใจให้ว่างจากสิ่งอื่นใดเพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องอื่นจะต้องคิดในขณะที่อ่านจดหมายนอกจากคิดถึงพี่เนื่องคนเดียวโรแมนติกเสียไม่มีดีนะคะเมื่อเปิดผนึกจดหมายออกแล้วพรอยก็ทอดอารมณ์ออกไปหาพี่เนื่องซึ่งอยู่ไกลแสนไกลขณะนั้นบรรยากาศในวังเงียบสงด นานๆจะมีเสียงนกข้าแมวร้องไกลๆสักครั้งหนึ่งข้อความในจดหมายนั้นมีอยู่ว่าถึงแม่พลอยฉันมาถึงนครสวรรค์ได้หลายวันแล้วใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆว่าฉันมาถึงนครสวรรค์ได้อย่างไรฉันก็เล่าไม่ถูกเพราะอาการมานั้นเหมือนคนใจลอย เมื่อฉันลาแม่พลอยมาวันนั้นดูเหมือนว่าฉันไม่ได้เอาหัวใจกลับมาด้วยถ้าแม่พลอยไม่ได้ถือเอาหัวใจฉันกลับเข้าวังไปมันก็คงจะตกเกลียยเสียหายอยู่หน้าประตูวังนั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขอให้แม่พลอยช่วยเมตตาออกไปเก็บมาไว้เสียกับตัวอย่าทิ้งหัวใจของฉันไว้ให้คนเขาเหยียบเข้ายา่าฉันจะไม่ลืมบุญคุณแม่พลอยเลยถึงฉันจะไม่ได้พบแม่พลอยมานาน ถ้าจะนับถึงป่านนี้ก็แรมเดือนฉันก็ยังคิดถึงแม่พลอยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหลับตาลงี่ไรก็เห็นแต่หน้าแม่พลอยทีนั้นไม่ว่าฉันจะไปถึงไหนหรือไปทำอะไรแม่พลอยก็ไปเที่ยวแอบแฝงอยู่ทั่วบางเวลาฉันนั่งอยู่คนเดียวก็แววได้ยินเสียงเหมือนแม่พลอยมาเรียกเผลอตัวขานรับไปก็มีของที่แม่พลอยให้ฉันมานั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีราคาค่างวดอะไรฉันก็ยังเก็บไว้กับตัวเสมอแม่พลอยจำซองหมากพูและผ้าเช็ดปากดอกจำปาที่แม่พลอยส่งออกมาให้ฉันได้หรือไม่เวลาก็ผ่านมานานนักหนาอยู่แล้วแต่ฉันก็ยังเก็บไว้ไปไหนก็เอาติดตัวไปด้วยถึงแม้ว่าจะเหี่ยวแห้งเปลี่ยนรูปไปจนจำไม่ได้ แต่กลิ่นอายอบรรมของแม่พลอยก็ยังคงอยู่ฉันยังได้ดมคงชื่นใจอยู่ทุกวันเหมือนกับมีแม่พลอยมานั่งอยู่ใกล้ๆบางวันถ้าฉันเหนื่อยร้อนหรือว่าเหงาฉันก็ได้แต่เร่งเวลาตะวันให้ค่ำลงสีเร็วเพื่อที่ฉันจะได้เข้านอนแล้วก็ห่มแพลเพราะที่เคยห่มตัวแม่พลอยมาครั้งหนึ่งเวลานั้นฉันจะมีความสุขที่สุด เท่าที่คนไรว้วศาสนาอาภัพอย่างฉันจะหาได้ฉันไม่เห็นเมืองคอนครสวรรค์แล้วจึงได้รู้ตัวว่าผู้ใหญ่ท่านคิดถูกเมื่อท่านบอกว่าให้ฉันรอไปก่อนหัวเมืองนั้นแสนยากแสนลำบากผิดกับกรุงเทพดินฟ้าอากาศบดจะร้อนก็แสนร้อนบดจะหนาวก็แสนหนาวมองไปทางไหนก็มีตป่าผู้คนก็เป็นคนบรร น, นอกพูดจากันไม่เข้าใจ บ้านช่องที่ฉันอยู่เวลานี้ก็แสนจะลำบากเป็นบ้านชั่วคราวที่หลวงท่านปลูกขึ้นอาหารการกินก็กันดานจะไปซื้อหาก็ต้องเดินไกลถึงปากน้ำโพฉันต้องให้เขาส่งปินโตทุกวันแต่ฝีมือคนหัวเมืองนั้นผิดปากมีแต่เผ็ดกับเค็มฉันก็ต้องทนเอาได้อาศัยของกินที่ไม่พลอยให้มาเป็นเครื่องชูชีวิตไปวันหนึ่งหนึ่งแต่แม่พลอยอย่าวิตกไปเลย ความลำบากกันดานทำให้ฉันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถนัดและมันนึกดีใจว่าฉันไม่ได้ใจเร็วด่วนได้พาแม่พลอยมาด้วยแม่พลอยเคยอยู่แต่ในรั้วในวังมาโดนแดดโดนลมที่นี่จะไหวหรือฉันนึกอยู่ทุกวันว่าฉันยอมตายเสียดีกว่าที่จะพาแม่พลอยออกมาลำบากเจ้านายท่านเคยบอกฉันไว้ว่า ท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือว่าสองปีแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกว่าฉันก็จะอดใจรอไปขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเราเคยพูดกันไว้ว่าอย่างไรแม่พลอยก็คงยังจะจำได้เจ้านายท่านเคยบอกฉันว่า ท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือสองปีจากนั้นก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกวา่าฉันก็จะอดใจรอไปขอแต่แม่พลอยอย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเจ้านายท่านเคยบอกฉันไว้ว่าท่านจะให้ฉันมาประจำการอยู่ที่นี่เพียงปีหนึ่งหรือสองปีแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นที่สบายกวา่าฉันก็จะอดใจรอขอแต่แม่พลอย อย่าลืมฉันเสียก็แล้วกันเราเคยพูดกันไว้ว่าอย่างไรแม่พลอยคงจะยังจำได้ฉันก็เชื่อถือไว้ใจแม่พลอยไม่ได้สงสัยกินใจแต่ก็นั่นแหละแม่พลอยอยู่ทางกรุงเทพฉันก็อดพวงอดคิดถึงไม่ได้เพราะว่าที่กรุงเทพมีลูกขุนน้ำขุนนางอยู่มากแต่ละคนก็มีรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพสมบัติ ด, ดีกว่าฉันถ้าแม่พลอย ยังเห็นแก่ฉันอยู่ก็ขอให้รักษาตัวให้ดีทางฉันนั้นแม่พรอยอยูห่วงเลยอย่างไรก็คงอย่างนั้นเนื่องพรอยอ่านจดหมายพี่เนื่องจบก็นั่งหลับตาพิงฟ้าอยู่อีกนานแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปยืนที่หน้าต่างตำหนักยอดปราสาทและหลังคาตำหนักต่างๆโผล่ขึ้นมาจากความมืด แสงไฟที่บนสว่างสวัยอยู่แต่พลอยมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะสายตาที่ทอดออกไปนั้นมองข้ามไปอย่างที่ไกลแสนไกลอีกหลายวันต่อมาพลอยก็คิดที่จะตอบจดหมายของพี่เนื่อง คือหลังจากที่อ่านแล้วพลอยก็ก็ยังไม่ได้ตอบเลยนะคะไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งช้อยมาบอกว่ามีคนรู้จักเขาจะขึ้นไปนครสวรรค์ถ้าทางช้อยกับพลอยจะส่งของอะไรฝากขึ้นไปก็ให้เตรียมเอาไว้ เขาจะส่งคนเข้ามารับแล้วก็เอาออกไปส่งรวมกันนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับพี่เนื่องคือแม่ชั้นเนี่ยฝากบอกช้อยมาพลอยกับชอยก็เลยช่วยกันตระเตรียมของกินต่างๆอย่างที่เคยทํามาแล้วก็เป็นโอกาสของพลอยในการที่จะนั่งเขียนจดหมายถึงพี่เนื่องซึ่งพลอยก็คิดแล้วคิดอีกลคะค่ะว่าจะเขียนอะไรดีจนในที่สุดพลอย ก็เขียนตอบพี่เนื่องเป็นข้อความสั้นๆนะคะคือสั้นกว่าจดหมายของพี่เนื่องหลายเท่านักละ่ะนี่คือเนื้อความในจดหมายของพลอยถึงพี่เนื่องค่ะถึงพี่เนื่องจดหมายที่พี่เนื่องส่งมาจากนครสวรรค์ฉันได้รับแล้วฉันดีใจที่พี่เนื่องไม่เจ็บไข้แต่เมื่อได้ยินพี่เนื่องเล่า ว, ว่าทางนั้นการกินอยู่กันดาน ฉันก็เป็นห่วงคราวนี้ฉันกับชอยช่วยกันหาของกินที่รู้ว่าพี่เนื่องชอบส่งออกมาอีกขอให้พี่เนื่องเก็บไว้ใช้ไว้กินตามสบายเถอะขอให้พี่เนื่องรักษาตัวให้จงดีอย่าให้เจ็บไข้ฉันมีความสุขสบายดีใครๆก็บ่นคิดถึงพี่เนื่องทุกคนเมื่อไหร่พี่เนื่องจะได้เข้ามากรุงเทพบ้างพรอย เนื้ความมีเพียงแค่นี้นะคะแต่พลอยก็นั่งคิดนั่งเขียนเสียจนดึกดื่นนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่พลอยเขียนจดหมายถึงผู้ชายสมัยก่อนนั้นการที่ผู้หญิงจะเขียนจดหมายถึงผู้ชายถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่เขาเรียกกันว่าเพลงยาวคือถ้าเกิดว่าคนอื่นรู้นี่แล้วก็โอ้โห ไม่รู้จะเอาหน้าไปวางไว้ที่ไหนเลยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายรับเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วในใจของพลอยอยากจะเขียนอะไรถึงพี่เนื่องมากมายกว่านี้เพราะว่ามีความในใจหลายอย่างที่พลอยอยากจะเขียนพรรณนาให้พี่เนื่องได้รู้ได้เห็นแต่ข้อความเหล่านั้นมันเขียนลงไปไม่ได้นะคะ แม้แต่จะพูดด้วยปากเนี่ยก็ดูจะยากเย็นอย่าว่าแต่จะเขียนเลยและถ้าพลอยจะระบายความในใจลงไปในหน้ากระดาษที่สมกับใจก็คงจะต้องใช้กระดาษหลายสิบหน้าละคะ่ะไม่ใช่แค่สีห้าบรรทัดอย่างที่เป็นอยู่พลอยก็เลยลำบากใจแต่ครั้นจะไม่เขียนเลย ก็กลัวว่าพี่เนื่องเนี่ยจะเสียใจก็จำเป็นจะต้องเขียนแต่พองงามเขียนเป็นกลางๆนะคะสั้นๆแล้วก็ใช้คำธรรมดาที่สุดเผื่อเอาไว้ว่าถ้าใครได้เห็นเขาก็จะว่าไม่ได้ละอืมคือโดยภาษาเนี่ยเป็นท้อยคำธรรมดาแต่ถ้าพี่เนื่องได้อ่านพี่เนื่องก็คงจะรู้ความไหนที่ซ่อนเอาไว้ ในระหว่างบรรทัดคือเรียกเอาว่าซ่อนเอาไว้แทบทุกจะรบรรทัดก็ว่าได้นะคะคนรักกันก็ ก, ก็คงย่อมจะรู้ละ่ะทีนี้พอเขียนเสร็จพลอยก็ปิดผนึกซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็นั่งเป็นทุก์ว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้จดหมายนั้นถึงพี่เนื่องโดยไม่มีใครรู้จะซ่อนไปในหีบใส่ของก็ไม่กล้าเพราะว่าของจะต้องผ่านมือหลายมือเผื่อจดหมายไม่ถึง จะทำยังไงในที่สุดก็ไม่มีทางอื่นค่ะนอกจากจะสารภาพความจริงกับช้อยแล้วก็ขอให้ชอยช่วยเพราะนี้เป็นทางเดียวที่จะส่งจดหมายไปโดยแนบเนียนที่สุดพอถึงวันที่จะต้องส่งของออกไปพลอยก็ถามชอยขึ้นว่าชอยชอยจะเขียนหนังสือส่งข่าวถึงพี่เนื่อบ้างไหมชอยหัวเราะเฮ้ยจะไม่เขียนบลอกลายมืออย่างฉัน ใครจะไปอ่านออพลอยโทรเขียนหน่อยเถอหน้าสงสารพี่เนื่องไม่เขียนละทำขนมส่งให้กินจนมือจะหักแล้วยังจะต้องหยิบกระดาษวาดอักษรถึงกันอีกหรือไม่ต้องเขียนมากหรอกชอยสองสามตัวก็พอแล้วเออฉันจะได้ฝากของฉันไปด้วยชอยหยุดหัวเราะทันทีค่ะเปลี่ยนสีหน้ามามองพลอยอย่างเอ็นดู แล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงที่เอาจริงเอาจังว่าจะดีหรือพลอยใครรู้เข้าจะน่าเกลียดนะฉันว่าพลอยอย่าเขียนจะดีกว่าฉันไม่ได้เขียนอะไรที่ใครจะมาว่าได้หลอกช้อยพลอยรีบตอบแล้วก็หยิบหนังสือที่เขียนไว้เอามาเปิดเสนอให้ช้อยอ่านช้อยรับไปอ่านทำปากปุบหมีบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่า ถึงงั้นก็เถอะใครก็จะไปรู้ว่าพลอยเขียนไปว่าอะไรสักแต่เพียงส่งหนังสือไปถึงผู้ชายมันก็ไม่ดีซะแล้วล่ะคนขนาดเรานะ่ะจริงๆนะพลอยถึงพี่เนื่องแกจะเป็นพี่ชั้นแท้ๆฉันก็ยังไม่ไว้ใจเดี๋ยวจดหมายนี้หลุดไปถึงมือใครเขาเขาก็จะพูดกันไปต่างๆนานาเชื่อฉันเถอะฉันมันคนบ้าคนหลังใครๆเขาก็รู้แต่นานๆจะขอพูดจริงๆจังๆสักครั้ง ฉันรักพลอยก็อยากให้พลอยดีเห็นอะไรที่จะทำให้พลอยเสียได้เพียงแต่น้อยฉันก็ต้องเตือนพลอยอย่ากโกรธฉันนะพลอยรู้สึกทั้งรักแล้วก็ทั้งเห็นใจช้อยในเจตนาดีที่มีต่อตนแล้วก็เห็นจริงตามที่ชอยพูดทันทีพลอยฉีกจดหมายนั้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้โกรธหลอกชอยฉันเห็นใจและได้คิดแล้วชอยยิ้มก่อนจะบอกว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ฉันจะเล่นฤษีแปลงสารสักทีแล้วชอยก็หยิบกระดาษมาเขียนจดหมายถึงพี่เนื่องเป็นเนื้อความสั้นๆบอกทุกสุขและลงท้ายด้วยข้อความว่าแม่พลอยเขาสั่งให้ฉันบอกมาด้วยว่าเขาคิดถึงและชอยก็ส่งหนังสือให้พลอยดูถามว่าเท่านี้ก็เห็นจะพอกระมังพลอยพอยพยักหน้ารับคาเพราะประโยคที่ช้อยเขียนลงไปตอนท้ายนั้น ถึงจะสั้นและธรรมดาแต่ก็เป็นถ้อยคำที่บรรยายความในใจของพลอยโดยสิ้นเชิงพี่เนื่องจากไปอยู่นครสวรรค์ได้หลายเดือนเวลาเดือนหนึ่งสำหรับพลอยดูเหมือนจะนานเท่ากับปีพรอยยังคงใช้ชีวิตอยู่ในวังเหมือนเดิม สิ่งที่บรรเทาความคิดถึงลงไปได้ก็คือจดหมายที่พี่เนื่องฝากคนมาให้ผ่านทางช้อยเป็นครั้งคราวแต่ละฉบับพลอยก็จะเก็บเอาไว้อ่านแล้วอ่านอีกจนจำเนื้อความได้ตลอดพี่เนื่องจากไปตอนท้ายของปีรศ .115 ช่วงนั้นมีข่าวลือว่าพระเจ้าอยู่หัวจากเสด็จยุโรป ข่าวนี้ผู้ใหญ่หลายคนในวังพูดเข้าหูพลอยว่าเป็นข่าวเล้ยวไหลไม่เคยมีธรรมเนียมที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จจากบ้านเมืองไปไกลและก็นานถึงเพียงนั้นถ้าเป็นเพียงเมืองแขกก็พอจะเข้าใจได้เพราะเคยเสด็จมาแล้วคนแก่เป็นส่วนมากโลงความเห็นว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องที่สาวสาวปั้นขึ้นเพื่อที่จะให้คนทั้งปวงเห็นความดีความเด่นว่าตนนั้น อยู่ใกล้ชิดกับที่สูงสูงจึงสามารถรู้ข่าวเช่นนั้นได้แต่ยิ่งใกล้สิ้นปีข่าวลือก็ยิ่งหนาหูขึ้นว่ามีใช่ข่าวกระซิบกระราบเล่าสู่กันฟังอีกต่อไปแต่เป็นข่าวที่โจ์จันกันอย่างเปิดเผยทั้งวังและในที่สุดข่าวนั้นก็เป็นความจริงที่ทุกคนรับรองเพราะมีหมายกำหนดการแน่นอนว่าจะเสด็จประพาสยุโรปกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินก่อนสงกราน ปีรอสร้อสิบหไม่กี่วันนะักข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปไกลทำให้พลอยเห็นความสำคัญที่ตนจะต้องอยู่ห่างจากคนรักน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนเพราะขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังพัดพรากจากกันได้เป็นครั้งคราวสามารถหาอะไรกับคนขนาดพลอยและพี่เนื่องที่จะจากกันไม่ได้แต่ข่าวต่อมาที่พลอยได้ทราบ เป็นข่าวที่ทำให้พลอยและพวกพ้องรุ่นเดียวกันอีกหลายคนในวงังบังเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งซึ่งขณะนั้นอธิบายไม่ถูกความรู้สึกนั้นจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกหยิ่งหรือภูมิใจก็ไม่ใช่จะว่าเป็นความปิติซาบซ่านอย่างไรก็ไม่เชิงแต่เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาสะกิดให้รู้สึกตัวตื่นจากการนอนหลับมาหลายร้อยหลายพันปี ข่าวนั้นก็คือข่าวที่ว่าเนคราวเสด็จยุโรปคราวนี้ได้ทรงตั้งสมเด็จที่บนเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถสำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงมีสิทธิ์มีอํานาจเหมือนพระเจ้าอยู่หัวขณะที่เสด็จอยู่ในพระนครสมเด็จที่บนก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีในขณะนั้นนะคะที่เอ่อเป็นผู้เป็นผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ปฏิบัติราชการนะคะแทนรุนเกล้ารัชการที่ห้าขณะที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรปความรู้สึกของพลอยที่กล่าวแล้วนั้นคนเท่าคนแก่ชั้นโบราณจริงๆอาจไม่มีแต่คนขนาดพลอยและช้อยและพวกพ้องอีกเป็นอันมากตลอดจนคนรุ่นใหญ่กว่าบางคนบังเกิดทัศนะที่ไม่เคยมีมาก่อน พลอเคยได้รับการอบรมมาแต่เล็กว่าผู้ชายนั้นมีอำนาจมีสิทธิ์ขาดเหนือตนเมื่อเป็นเด็กก็อยู่ในอำนาจพ่อมีเรือนก็อยู่ในอำนาจผัวชีวิตนี้จะดีจะชั่วกระสุดแต่ผู้ชายจะบันดาลให้เป็นไปผู้หญิงนั้นดูเหมือนจะเกิดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชายไม่มีวันที่จะไปมีอำนาจบังคับบัญชาใครได้นอกจากการบังคับบัญชากันเองอย่างที่ในวังนี้ นอกจากตำแหน่งเท้านางเท่าแก่ในวังแล้วก็ไม่เคยปรากฏว่ามีผู้หญิงไปรับราชการงานเมืองที่ไหนความรู้สึกแต่เดิมจึงมีอยู่ว่าโลกนี้เป็นโลกของผู้ชายผู้หญิงเป็นเพียงคนอาศัยและในฐานะคนอาศัยก็ต้องนบนอกเชื่อฟังเจ้าของบ้านตลอดไปการตั้งสมเด็จที่บนเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งทาให้ทุกคนต้องเรียกตามพระนามใหม่ว่า สมเด็จรุยเยนจ์จึงเป็นการสะเทือนความรู้สึกในสิทธิของเพศตนที่สงบนิ่งอยู่ในตัวผู้หญิงมาหลายศตวรรษให้กลับฟื้นคืนชีพเพราะได้ปรากฏแน่ชัดแล้วว่าขณะที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไม่อยู่นี้ผู้หญิงเป็นผู้ครองแผ่นดินโดยที่พระราชสวามีทรงมอบพระอํานาจไว้ให้และได้ทรงเฉลิมพระราชอิสริยยศว่าสมเด็จพระบรมราชนีนา คำว่าสมเด็จเร g e นหรือว่าสมเด็จ Map ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาออกเสียงกันอย่างไรคือคำนี้เนี่ยเป็นพระนามทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Regency นะคะแต่ว่าออกเสียงเป็นไทยไทยก็คือสมเด็จเรียนหรือว่าอาจจะเป็นสมเด็จเร e n t คือ คำภาษาอังกฤษเนาะคำไทยก็อาจจะลงน้ำหนักเสียงแตกต่างกันไปไม่ได้มีมาตรฐานเฉพาะว่าจะต้องลงน้ำหนักเสียงอย่างไรแต่คำนี้ใช้เรียกสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชินีนาธนะคะเมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ในปีพุทธศักราช2440ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยมีการเรียกทับศัพท์นะคะทับศัพท์ว่า Regency แล้วก็กลายมาเป็นสมเด็จ Regent หรือว่า Regent นะคะการเสด็จประพาสยุโรป ค, ครั้งนั้น จากหนังสือสี่แผนดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยามบอกว่าก็เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพระราชวิเทศโสบายในการพรดุงรักษาอธิปไตยของชาติซึ่งอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญเสียเอกราชให้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกคือยุคนั้นพูดง่ายๆเป็นยุคล่าอนานิคมผู้บริหารบ้านเมืองก็ต้องพยายามในการที่จะ รักษาเอกราชเอาไว้นะคะโดยการที่พระองค์ก็เสด็จประพาสยุโรปสร้างสัมพันธไมตรีกับบรรดามาหาอำนาจเหล่านั้นเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินให้รอดพ้นจากการสแสวงหาล่าเมืองขึ้นในส่วนของสมเด็จพระศรีพรชัชรินทราบรมราชนีนาถในขณะนั้นนะคะก็ได้รับการสถาปนาเป็น ผู้สำเร็จรชาชการซึ่งพระองค์ก็จะต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการที่จะเป็นประธานการประชุมเสนาบดีสภาประชุมคณะผู้สำเร็จรชาชการเสด็จออกท้องพระโรงพระที่นั่งจั ก, กรีมหาปราสาท ตลอดจนการประทานเลี้ยงน้ำชาแก่ชาวต่างประเทศแล้วก็ต้องทรงพระราชกรณียกิจอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นการเสด็จเยี่ยมกระทรวงทะบวงกรมแล้วก็สถานที่ต่างๆปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาให้ทรงพิจารณานั้นก็จะต้องส่งซักไซไล่เลียงเรื่องราวจนถ่องแท้หรือว่าตรัสปรึกษาที่ประชุม จากนั้นก็จะประทานความเห็นหากมีปัญหาใดที่ทรงไม่แน่พระไทยจะทรงขอกราบลงคมทูลก่อนเสมอสมเด็จพระศ ร, รีพัชรินทราบรมราชนีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจอย่างหนักอยู่ถึงเก้าเดือนเต็มครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จนิวัดประเทศไทย พรอยอธิบายทัศนะใหม่ของตนในขณะนั้นก็คงอธิบายไม่ได้อาจบอกได้แต่ว่าคนเราเกิดมาก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตำแหน่งแห่งคนหรือกิจการต่างๆที่ผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็คงจะทําได้เช่นกันถ้ามีโอกาสพรอยนําความคิดนี้ไปคุยกับชอยแน่นอนคะ่ะชอยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะ และประกาศออกมาด้วยความขนองปากตามแบบของตนต่อหน้าคุณสายว่าทีนี้ฉันก็ไม่กลัวผู้ชายอีกต่อไปทำไมคุณสายถามแล้วก็ทำตาเขียวเอ้าคุณอาไม่รู้หรอกหรือว่าเวลานี้ผู้หญิงเป็นเจ้าแผ่นดินเด็กอวยเฮ็นทำพูดดีไปเถอะจะโดนมะพร้าวห้าวยัดปาก ประโยคนี้ได้ยินบ่อยๆสมัยเด็กๆนะคะเวลาที่พูดอะไรไม่เหมาะไม่ควรผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าระวังโดนมะพร้าวห้าวยัดปากซึ่งเป็นการทำโทษในสมัยก่อนนะเท่าที่รู้แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณสายเองก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะคือระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยุโรปปีนั้นความสำคัญต่างๆก็ได้ย้ายจากข้างหน้ามาอยู่ข้างใน ข้างในในที่นี้ก็คือฝ่ายในนะคะซึ่งมีสมเด็จกริเจนคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาเป็นผู้สําเร็จราชการแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าราชการแทนพระองค์เพราะฉะนั้นความสําคัญต่างๆก็ย้ายมาอยู่ฝ่ายในหรือว่าข้างในเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดข้างในดูเหมือนจะมีรัศมีแห่งความสําคัญมากกว่าข้างหน้า สมเด็จบรญเจษ น, นั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะที่สูงสุดไม่มีข้างหน้าคนใดจะมาเสมอเหมือนและทุกวันก็เสด็จออกข้างหน้าเพื่อทรงราชการเช่นเดียวกับที่พระเจ้าอยู่หัวเคยทรงปฏิบัติข้อแตกต่างที่สาคัญอีกอย่างที่พลอยรู้สึกก็คือระหว่างที่เสด็จอยู่นั้นถ้าหากเจ้านายจะขึ้นเฝ้าก็ต้องขึ้นเฝ้าบนพระที่นั่งซึ่งดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ระหว่างเสด็จไม่อยู่นั้นการขึ้นเฝ้าก็ไม่มีสมเด็จเสด็จลงที่สวนสิวาลัยหรือที่เรียกว่าสวนเต่านั้นเกือบทุกวันหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นจากข้างหน้าแล้วเ <honestly> จ้านายคุณจอมนะคะเฝ้าได้ที่สวนเต่าแล้วก็เฝ้าอย่างสนิทสนมเป็นกันเองมีการทรงกีฬาประเภทต่างๆ มีโครเก้เป็นพื้นเสร็จแล้วก็ผัดผ้าทรงลงสงในสระที่สวนเต่าทุกพระองค์เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องหาเสือไปปูและนําแป้งน้ําอบตลอดจนเครื่องแต่งพระองค์อีกชุดหนึ่งใส่ผ่านไปที่นั่นแล้วก็นั่งรอจนกว่าจะเสด็จขึ้นจากขึ้นจากสระสงนะคะจะได้แต่งพระองค์ที่นั่นแล้วก็ประทับอยู่ที่ศาลาในสวนเต่า จนถึงเวลาเสด็จขึ้นหรือสวยที่นั่นทีเดียวความจริงสมเด็จบริเจนทรงอยู่ในฐานะซึ่งเป็นที่ยำเกรงของเจ้านายตลอดจนคนอื่นๆทั้งวังแต่ก็ทรงพระอุสาหะกอบความสามัคคีด้วยพระอัธยาศัยทำให้เกิดความรักเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปอีกพรอยได้ตามเสด็จ เสด็จไปที่สวนเต่าเป็นนิดจึงได้เฝ้าแหนใกล้ๆด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งเคารพ บ, บูชาแล้วก็ยำเกรงเป็นที่สุดในขณะที่ทรงกีฬาก็ดีหรือขณะที่ลงสงในสระและประทับศาลาก็ดีมักจะมีการถ่ายพระรูคหมูเนืองๆเพื่อส่งไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาที่ยุโรปในสมัยรชัชกาลที่ห้าก็มีความนิยมในหมูเจ้านายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปคนทั่วไปก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสนะคะกล้องถ่ายรูปก็จะเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นใหม่ของเจ้านายเป็นงานอดิเรกของเจ้านายและก็ชนชั้นสูงในยุคนั้นนะคะพลอยก็สนใจในกล้องถ่ายรูปนั้นมากเพราะว่าเป็นกล้องใหญ่สมัยนั้นจะต้องดึงเข้าดึงออกแล้วก็ตั้งขายอย่างให้ได้ที่อยู่หลายตลบต้องคลุมผ้าเปลี่ยนกระจก แล้วก็อะไรต่ออะไรประดักประเดิดเต็มทีนะคะก็ยุ่งยากพอสมควรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นของใหม่ที่สามารถจะบันทึกภาพผู้คนภาพอะไรต่อมีอะไรได้ก็เป็นความมาหัศจรรย์ใจในยุคนั้นละค่ะที่พลอยสนใจก็เพราะเคยนึกว่าการถ่ายรูปอย่างเอาจริงเอาจังนั้นเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวช่างภาพหรือว่าช่างถ่ายรูปเป็นผู้หญิง ซึ่งในเรื่องสี่แผนดินบอกว่าต้องขอบันทึกไว้ณนะที่นี้ด้วยว่าชื่อแม่ส้อยน้องสาวขุนฉายาเป็นข้าหลวงตำหนักเสด็จพระองค์อรไทยชาววังสมัยนั้นก็เห็นจะรู้จักด้วยกันทุกคนระหว่างที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลาหลายเดือนนั้นชีวิตของพลอยก็ยังคงดำเนินไปเป็นปกติกาหนดเสด็จพระราชดา เ, เนินกลับพระนคร น, นั้น ตกในฤดูหนาวปีรศ .116 มีข่าวเรื่องลือกันเป็นหนักหนาว่างานรับเสด็จกลับคราวนี้จะกระทำกันเป็นการโมโหรานสนุกสนานยิ่งกว่างานใดๆที่ได้เคยเห็นกันมาตอนนั้นพลอยเพิ่งจะอายุได้16บางเวลาความรักและความทุกข์ที่ต้องพัดพากจากคนรักอาจทำให้มีความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ แต่ความตื่นเต้นเร้าใจที่จะได้เที่ยวแล้วก็ดูงานให้สนุกสนานก็กลับทําให้ใจเป็นเด็กลงไปได้อีกเหมือนกันยิงไกลวันเสด็จกลับคนทั้งวังก็ดูเหมือนจะนึกแล้วก็พูดอยู่ด้วยเรื่องเสด็จกลับแต่เรื่องเดียวทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากต่างเตรียมเครื่องแต่งตัวนะคะเพราะว่างานคราวนี้เป็นงานออกหน้าออกตาต้องตัดเสื้อผ้ากันใหม่หลายๆตัวสําหรับใส่ได้ตลอดงานไม่มีซ้ํา ใครมีฝีมือรับจ้างตัดเสื้อก็ต้องเร่งทำงานทั้งกลางวันกลางคืนค่าจ้างตัดแต่ก่อนสำหรับเสื้ออย่างดีที่มีโบตียิบไปทั้งตัวแขนพองเป็นขาหมูแฮมตัวหนึ่งก็ตก 20-30 บาทแต่พอจวน ง, งานก็ขึ้นไปเป็น 40-50 บาทซึ่งสมัยนั้นนะคะก็คงถือได้ว่าแพงมากแล้วค่ะแต่คนก็ยังกล้าตัด พนุ่งยกพนุ่งไหมก็ถูกขนเข้ามาขายในวังกันเป็นประจำคนเดินเข้าเดินออกทุกวันอย่างคึกคักไม่มีหยุดหย่อนช้อยกับพลอยดูเหมือนว่าจะกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งนะคะตื่นเต้นเหมือนกับเมื่อครั้งชวนกันไปเที่ยวงานโสกันวันไหนถ้าไม่มีกังวลเรื่องเครื่องแต่งตัวก็จะพากันไปดูทางสวนเต่าซึ่งณที่นั้น ก็มีการปลูกโรงละครแล้วก็ปลูพักพรากันอย่างเร่งรีบเรื่องที่พูดกันอยู่ไม่ขาดปากก็คือละครรำซึ่งเจ้าคุณจอมมารดาคุณจอมมารดาในรัชกาลที่สี่และบรรดาเท้านางได้คุมกันขึ้นเพื่อเล่นถวายตัวในงานสมโพธรับเสด็จพรอยเคยได้ยินแต่คนจะแก่เล่าให้ฟังว่าท่านผู้นั้นท่านผู้นี้รำงามเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็เกิดไม่ทัน เพราะว่าตอนที่พลอยเข้ามาอยู่ในวังแต่ละท่านเนี่ยก็สูงทั้งอายุและก็ฐานะซะแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในชีวิตที่พลอยจะได้มีโอกาสชมละครบรำชั้นสูงถึงเพียงนั้นฟังดูก็น่าสนุกนะคะก็คงจะทําให้พลอยลืมเรื่องที่เนื่องไปชั่วระยะหนึ่งทีเดียวด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เที่ยวชมงานใหญ่ ทีนี้พอถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าจริงงานการที่มีรับเสด็จนั้นก็เป็นการโมโหรานและสนุกสนานเกินกว่าที่คาดเสอีกพลอยเที่ยวงานจนเกือบจะลืมอาจจะเรียกได้ว่าจนเกือบจะลืมพี่เนื่อง <c oughs> ขณะนั้น <c oughs> เป็นกลางและดูหนาว <c oughs> การเดินเที่ยวเตร็ดูงานจึงเป็นเรื่องที่สดชื่นไม่มีเหน็ดเหนื่อยงานรับเสด็จ มีทั้งนอกวังแล้วก็ในวังงานที่มีนอกวังนั้นดูเหมือนจะมีทั่วพระนครที่พลอยจำได้ติดตาก็คือโขนกลางแปลงที่ท้องสนามหลวงโขนกลางแปลงนั้นมีกลางคืนท้องสนามหลวงจึงถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสว่างสวัยสวยงามจนแทบจำไม่ได้โขนคืนนั้นเล่นตอนพระรามเข้าเมือง มีการสมโพสต้อนรับพระรามคืนเมืองอายุทยาในท้องสนามนั้นตกแต่งเป็นบ้านเมืองปราสาทราชธานมีต้นไม้ภูเขาเมื่อยามที่กระทบกับแสงไฟดูเหมือนกับเมืองเนรมิตรหรือเมืองในฝันเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระพราแล้วงานก็เริ่มด้วยข้าราชการเดินขบวนถือเทียนเข้ามาถวายพระพร ขบวนแห่เดินเป็นสี่สายแต่ละสายเห็นแต่แสงเทียนในความมืดดูเหมือนกับงูตัวเมื่อหึมาที่มีเกล็ดเป็นใยเมื่อเสร็จการถวายพระพรจบลงด้วยการโห่สามลาขวนกลางแปลงจิงลงโรงมีพลยักษ์พลลิงในกองทัพรามที่ยาวสุดตางานข้างในที่พลอยนึกได้ทีหลัง เมื่อเวลาล่วงเลยมานานก็คือวันที่เด็กนักเรียนเล็กๆเข้าถวายพระพรและมีงานเต้นราเด็กผู้ชายเล็กๆหน้าเอ็นดูมาจากโรงเรียนราชวิทยาลายัยที่บ้านสมเด็จฟ้าข้างโน้นเข้ามาสมทบกับเด็กผู้หญิงขนาดเดียวกันจากโรงเรียนสุนันทาลายัยปักคลองตลาดทุกคนแต่งกายแฟนซีแบบต่างๆแต่งเป็นฝรั่งบ้างเป็นไทยบ้างเป็นจีนบ้าง เมื่อนักเรียนมาพร้อมกันแล้วก็ตั้งขบวนแห่ที่หน้าพระที่นั่งจั ก, กรีมหาปราสาทแล้วก็เดินเข้าประตูย่ำข้ามไปยังสวนสิวาลัยซึ่งปลูกพะพลาและโรงละครไว้เสร็จแล้วพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชนเนินขึ้นพะพลาแล้วก็มีการเลี้ยงนักเรียนวันนั้นเป็นวันแรกที่พลอยได้เห็นการเต้นรำแบบฝรั่งนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายจับคู่กัน โดยเต้นรำกลางสนามหน้าพระปรางเข้ากับจังหวะแตรวงที่เล่นเพลงเต้นรำเรียกว่าเพลงลันเซอร์และเซโรเยอร์ชอยซึ่งนั่งดูอยู่ใกล้ๆก็กระซิบบอกว่าพรอยรู้ไหมที่เมืองฝรั่งนั้นนะ่ะคนหนุ่มสาวเขากอดการเต้นรำแบบนี้้ฉันไม่เชื่อหรอกชอยเอาอะไรมาว่า เด็กๆ เ, เต้นอย่างนี้ก็น่ารักนะเอ็นดูดีแต่คนโตๆแล้วจะไปเต้นอย่างไรได้ผู้หญิงกับผู้ชายเต้นด้วยกันแล้วก็ฉันว่าขายหน้าแย่ทีเดียวเอา้าจริงๆนะพลอยฝรั่งเขาไม่ถือกันหรอกคนเขามาเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเห็นฝรั่งกับแมมมเต้นบ ร, รมที่วังบุรพาเขาแอบดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ต้องเลิกเขาบอกว่าเขาอายดูไม่ได้ตายจริงถ้าอย่างนั้นฉันก็ดีใจ ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแม่มใครให้ฉันออกไปเต้นรำอย่างนี้กับผู้ชายฉันตายเสียดีกว่าอันนี้คือแม่พลอยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าแม่พลอยมีโอกาสขึ้นทำแมชชีนมาอยู่สมัยนี้แม่พลอยคงจะกั้นใจตายเสียวันละหลายหนละคะ่ะ ครั้นถึงคืนวันที่ชาววางคออยู่เป็นนักเป็นหนาที่จะได้ชมละครรำชั้นสูงสุดก็มาถึงนะคะคืนนั้นพลอยตามเสด็จไปยังโรงละครที่สวนสิวาลายัยด้วยความดีใจเหลือเกินเพราะว่าเป็นละครที่น้อยคนจะได้เห็นท่านผู้แสดงเป็นเจ้าคุณจอมมานดาและเจ้าจอมมานดามีพระราชโอรสธิดาเป็นเจ้านายชั้นสูงในราชตระกูล จึงไม่โปรดกล้าวให้ผู้ใดได้มีโอกาสเข้าชมาละครรำนั้นนอกจากเจ้านายและคนในวังแท้ๆแม้แต่พลอยเองก็ได้แต่มอบดูอยู่ห่างๆด้วยความยำเกรงเป็นที่สุดคืนนั้นมีการแต่งแฟนซีและรับพระราชทานเลี้ยงก่อนแสดงละครเจ้านายและเจ้าจอมบรรดาผู้ที่ไปในงานนั้นแต่งกายสวยงามพิสดารแบบแปลกตาทุกท่าน บางท่านแต่งเป็นแขกดำบางท่านแต่งเครื่องฮองเฮาจากราชสำนักจีนอย่างเต็มยศบางท่านแต่งเป็นเรดโรดิงฮูดจากเทพนิยายฝรั่งบางท่านแต่งเป็นนางละเวงนางพญาฝรั่งจากเรื่องพระอภัยมณีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายแบบพลอยจำได้เท่าที่สนใจจะดูนะคะก็คือมีการแต่งแฟนซีกันอย่างสนุกสนาน เมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงแล้วพินพาสจึงโหมโรงเจ้าคุณจอมารดาจุดเทียนเครื่องสังเวยมีการรำเชิญพวงมาลัยและช่อดอกไม้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วจุดเทียนเครื่องทองน้อยครบตามวิธีเบิกโรงละครเอ่อเป็นวิธีเบิกโรงละครในของหลวงนะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนที่เฉพาะละครคืนนั้นเล่นเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาเข้ากรุงดาหา ไปจนถึงตอนใช้บนเพื่อให้เข้ากับเรื่องเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครบรรดาท่านที่ออ ก, กราในคืนนั้นก็ล้วนแล้วแต่สูงด้วยเกียรติแล้วก็อายุตั้งแต่ตัวเท้าดาหานางประไมยสุรีมาเดวีอินเอบุตรสบานะคะล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเจ้าจอมมนดาทั้งสิ้นมีที่ไม่ถึงท่านนั้นอยู่คนเดียวคือตัวจรกาแต่ก็เป็นชั้นคุณเท่าแก่ ตัวเอกในเรื่องที่ยาวไหวที่สุดเห็นจะได้แก่ท่านชายพระองค์เล็กซึ่งทรงแสดงเป็นสีหญาตราและตามความจริงเป็นหลานย่าของท่านผู้แสดงเป็นตัวอีเหนากนระบวนการและศิลปะชั้นเชิงของละครคืนนั้นสุดที่พลอยจะพรนานาได้ถูกเพราะว่าท่านผู้แสดงแต่ละคนนะคะมีศิลปะสูงเยี่ยมเป็นชั้นครูบาอาจารย์อยู่แล้วเมื่อประกอบด้วยความตั้งใจแสดงจนสุดฝีมือ เพื่อสนองพระเดชพระคุณและด้วยความรู้สึกของแต่ละท่านว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ออกโรงเป็นครั้งสุดท้ายท่านเหล่านั้นจึงแสดงกันแบบสุดฝีมือละค่ะเก็บทั้งฐานันดร อ, อันสูงและไวยอันสูงเอาไว้ทางหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ศิลปะแต่อย่างเดียวเข้าคลองอารมณ์และความเคลื่อนไหวของท่านตลอดการแสดงพลอยได้ชมละครคืนนั้นแล้วก็จาติดตา ไปตลอดชีวิตต่อมาถึงแม้จะได้ดูละครอีกหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่เคยเห็นครั้งใดเท่าเทียมครั้งไหนคือในช่วงระหว่างที่พลอยกับช้อยยังคงสนุกสนานกับการกับการเที่ยวชมงานคืองานครั้งนั้นเนี่ยกินเวลายาวนานถึงสามเดือนนะคะ คือคือเป็นการรับเสด็จแล้วก็การสมโพธ์ที่ใหญ่โตโมโหรานจริงๆค่ะกินเวลายาวนานสาเดือนนะคะคือเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วก็มีงานบ้างเว้นบ้างจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นละคะ่ะแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาสถานที่ต่างๆเช่นถนนหนทางบ้านเรือนรัศดร อ, อาคารร้านค้าสถานที่ราชการนะคะ แล้วก็มีกลุ่มบุคคลต่างๆจัดรายการรับเสด็จถึง22รายการเพราะฉะนั้นก็เที่ยวงานกันเปรมปรีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงของการเที่ยวงานที่บรรดาผู้คนในพระนครแล้วก็บรรดาหัวเมืองต่างๆที่เข้ามาเที่ยวงานเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีคุณเฉยพี่สาวต่างมารดาของพลอยซึ่งจากกันไปนานหลายปีคราวนี้ละค่ะมีโอกาสได้มาเจอกันตอนที่ทั้งคู่เนี่ยก็เติบโตเป็นสาว ก, กันแล้วนะคะ ห่างกันไปหลายปีกลับมาเจอกันอีกทีจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยกับสี่แผ่นดินค่ะ ตอนที่พลอยได้พบกับคุณเชยในตอนแรกพลอยก็เกือบจะจับไม่ได้นะคะคือคุณเชยเข้ามาเที่ยวงานแล้วก็เข้ามาค้างกับญาติในวังโดยที่ไม่ได้บอกให้พลอยรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนพลอยกับคุณเชยนั้นไม่ได้เจอกันมานานหลายปีนะับตั้งแต่พลอยเข้ามาอยู่ในวังเจอกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ต่างโตเป็นสาวสําหรับพลอย คุณเชยโตเป็นสาวขึ้นถนัดใจกิริยาท่าทางก็เปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนคุณเชยนั้นเป็นฝ่ายมาหาพรอยถึงที่ตำหนักนะคะเพราะว่าคุณเชยกับพรอยก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแม้ว่าจะเป็นลูกเจ้าคุณพ่อที่เกิดจากแม่คนละแม่ก็ตามนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นพี่น้องที่สมัครรักใคร่กันดีแม่พรอย คุณเชยทักขึ้นอย่างดีใจขณะที่เห็นพลอยเดินเข้ามาหาแม้ฉันคิดถึงเสียจริงๆไม่ได้พบกันนานสบายดีเหรอแม่พลอยโตขึ้นช่างสวยเสียจริงแต่ขั้นท่านแหละแม่พลอยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเห็นหน้าฉันก็จำได้ทีเดียวพลอยนั้นดีใจจนบอกไม่ถูกนะคะ ก็ทักทายละล่ำและลักตามประสา พ, พี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานฉันเสียอีกที่จําคุณเชยไม่ได้แต่คุณเชยก็สวยไม่ใช่เล่นเหมือนกันไม่ต้องไปยอฉันหลอกแม่พลอยฉันรักแม่พลอยอยู่แล้วอย่างฉันเนี่ยใครเห็นสวยก็เห็นชะตาไม่ค่อยดีกระมังเจ้าคุณพ่อท่านบ่นอยู่ทุกวันว่ามีลูกสาวอย่างฉันน่ากลัวจะขายไม่ออกแต่อย่างแม่พลอยนี่ล่ะก็ ขายออกแน่เสียดายมาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เสียที่ในวังไม่มีใครได้เห็นแล้วเจ้าคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคุณเชยก็สบายดีท่านบ่นถึงแม่พลอยกับฉันอยู่เสมอนะว่าอยากจะให้ออกไปบ้านบ้างแต่ฉันก็เฉยเฉยเสียเพราะเห็นว่าถึงแม่พลอยจะออกไปก็คงไม่มีความสุขลูกสาวใหญ่ท่านไม่ชอบให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้อง ลูกสาวใหญ่ในที่นี้ก็คือคุณอุ่นนะคะซึ่งแต่ก่อนพลอยนั้นกลัวคุณอุ่นมากแต่ตอนนี้ก็ชักจะเห็นเป็นของขันคือเห็นเป็นเรื่องขำไปเพราะว่าตอนนี้พลอยเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เป็นเด็กๆที่คุณอุ่นจะมาใช้อาํานาจบาดใหญ่ได้นะคะเออแล้วลูกสาวของท่านคนนั้นท่านขายไม่ออกบ้างเหรอคุณเชยโหย๊ย ไม่มีวันออกหรอกแม่พ้อยคุณอุ่นเองบอกกับฉันว่าชาตินี้เธอไม่มีวันมีเรือนเธอกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาปอกลอกเอาสมบัติเธอจะนั่งเป็นโสมเฝ้าซั์ไปอย่างนี้แหละจนตายคุณเชยพูดเอาเองกระมังคุณอุ่นเธอคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกเธอก็พูดอะไรคล้ายๆอย่างนั้นแหละฉันก็ต่อเติมให้บ้างแต่ฉันกลัวว่าเธอจะหวงสมบัติเอาไว้ได้ไม่นานเท่านั้นละ่ะ จะเป็นหมดเสียที่คุณชิดนี่เองเวลานี้ก็เห็นแอ บ, บหยิบยื่นให้กันไม่ให้เจ้าคุณพ่อรู้อยู่เสมอคุณชิดคุณชิดอยู่นี้ทำอะไรจะไปทำอะไรแม่พลอยก็นอนอยู่กับบ้านมีลูกตั้งสองคนแล้วพลอยตกใจเมื่อรู้ว่าคุณชิดพี่ชายคนละแม่มีลูกแล้วคุณชิดได้กับใครกันคุณเชยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนางพวง บ่าคุณอุ่นนั่นแหละแม่พลอยจําได้ไหมอีเด็กขวจุบที่เคยวิ่งอยู่ยแถวๆหน้าครัวที่บ้านเราอ่ะคนที่ฉันบอกแม่พลอยว่าไม่ให้ไปเล่นด้วยแต่ก่อนเพราะว่ามันเป็นหินเต็มไปหมดนั่นแหละตอนนี้โตเป็นสาวแล้วกลายมาเป็นพี่สะใภ้ของเราเสียด้วยแต่เปล่านะคุณอุ่นเธอไม่ได้ยกย่องอะไรหรอกยังเลี้ยงเป็นบ่าวอยู่นั่นเองวันก่อนเธอยังบอกเจ้าคุณพ่อให้หาเมียดีๆให้คุณชิดอยู่เลย แต่ท่านว่ายอย่างไรท่านก็หัวเราะนะสิแล้วก็บอกว่าคนอย่างเจ้าชิดใครก็จะไปเอาไปขอลูกสาวใครเขาให้มาก็ขายหน้าเขาเปล่าคุณอุ่ น, นเธอเคืองเหมือนกันนะแต่เธอก็ไม่กล้าพูดเออพอเพิ่มเข้ามาหาแม่พลอยบ้างหรือเปล่าก็มานานๆครั้งหนึ่งแต่หมูนี้หายไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอพูดถึงพ่อเพิ่มคุณเฉยก็ถอนใจใหญ่ สายหน้าของแม่พลอยเองก็เถอะไม่ใช่เล่นเหมือนกันพอโตเป็นหนุ่มก็กินเหล้าคบเพื่อนบางวันเนี่ยกลับบ้านเมาแปรมาทีเดียวคนเรือจ้างมันพลาดหัวเรือพามาทิ้งเอาไว้ที่ท่าน้ำฉันเนี่ยต้องช่วยปิดเจ้าคุณพ่อสียกใหญ่แต่พอเพิ่มกะดีนะแกยังไม่มีลูกมีเมียแล้วว่าอะไรแกก็ยังฟังไม่เหมือนกับคุณชิดอีกอย่างพ่อเพิ่มกกินแต่เหล้า นานๆก็เมาเสียครั้งหนึ่งแต่คุณชิดนั้นครบเครื่องทั้งฝินทั้งเล่าเลยทีเดียวนี่ก็คือเรื่องราวที่บ้านซึ่งห่างไปจากการรับรู้ของพลอยนะคะทั้งคู่ก็ปรับทุกกันเกี่ยวกับเรื่องของพี่ชายซึ่งทั้งพลอยและคุณเชยก็เห็นพ้องต้องกันว่าทั้งพลอยและคุณเชยมีพี่ชายร่วมท้องกับเขาก็ ไม่สามารถที่จะเอาเป็นที่พึ่งได้นะคะคุณเชยก็ถามแม่พลอยว่าแต่แม่พลอยเถอะระหว่างนี้อยู่ในวังก็ดีอยู่แต่ต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือว่าแม่พลอยคิดจะมีบุญวาสนาอยู่ในนี้ให้คุณเชย เอาอะไรมาพูดฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะเป็นความสัตย์ความจริงหมุนวาสนาอยู่ในนี้ก็คงหมายถึงการถวายตัวเป็นเจ้าจอมทํานองนั้นนะคะแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้พูดกันตรงๆถ้าอย่างนั้นแม่พลอยก็ควรจะคิดการข้างหน้าเอาไว้เสียบ้างเดี๋ยวนี้แม่พลอยก็โตแล้วไม่ใช่เด็กๆถ้าออกไปได้ก็ควรจะไปมาหาสู่กับทางบ้าน อย่าปล่อยให้ขาดกันเสียทีเดียวเจ้าขุณพ่อท่านก็ยังพูดถึงอยู่ฉันก็คิดถึงท่านอยู่เสมอเหมือนกันนะคุณเชยแต่ฉันกลัวและการที่ฉันจะออกไปบ้านก็ต้องมีคนไปรับไปส่งฉันเองก็ไม่มีใครมีแต่นางพิษอยู่คนเดียวจะไปอย่างไรได้แม่พลอยไม่ต้องกลัวใครเราก็ลูกเจ้าขุณพ่อเหมือนกันฉันยังอยู่อีกทั้งคนเอาเถิดเรื่องไปมา ฉันจะรับเป็นธุระให้เองในขณะที่พี่น้องคุยกันช้อยส์ก็เดินลงบันไดตำหนักมานะคะเห็นพลอยนั่งคุยอยู่กับคนแปลกหน้าก็ทําท่าจะเลี่ยงไปทางอื่นพลอยก็เลยถือโอกาสแนะนําให้ช้อยส์กับคุณเฉยได้รู้จักกันเมื่อชอยส์กับคุณเฉยได้รู้จักกันก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ย จะถูกชะตากันและกันมากนะคะคุยกันถูกคอทีเดียวคุยกันได้สักพักคุณเชยก็หัวเราะร่วนไปกับคําพูดแปลกๆของช้อยในที่สุดก็นัดกันว่าจะต้องไปเที่ยวด้วยกันจนตลอดงานอืพลอยปล่อยให้ช้อยกับคุณเชยคุยกันอยู่ตามลําพังในขณะที่ตัวเองเนี่ยก็เดินไปตามนางพิษให้มาหาคุณเฉยพอนางพิษ เดินมาไหว้คุณเชยคุณเชยก็ทักถ่ายว่าแหมพิษแก่ไปมากเชียวนะเจ้าค่ะเต็มทีเจ้าค่ะเดีย๋ยวนี้เป็นชาววางไปแล้วสิโอ้ก็อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะเอ๊ะยังงั้นอะไรกันตกลงเป็นหรือไม่เป็นว่ามาสันดานบ่าวมันเป็นชาววังไม่ได้หรอกค่ะคุณเชย คุณพลอยของบ่าอยู่ในวังบ่าวก็อยู่ในวังคุณพลอยออกจากวังบ่าวก็ออกตามชาดนี้คุณพลอยไปทางไหนพิษัยด้วยทั้งนั้นล่ะค่ะดีจริงพิษฉันชักจะอิจฉาแม่พลอยเสร็จแล้วละถ้าฉันมีคนอย่างพิษสักคนฉันก็คงจะดีใจไม่น้อยทีเดียวอ่ะอ่ะพิษเอาไปซื้ออะไรเล่นไปนานๆพบกันทีคุณเชยหยิบสตางค์ให้พิษสองบาทนางพิษก็ก้มลงกราบอย่างดีใจคุณพลอย คอยกินขนมไว้ให้ดีนะคะพรุ่งนี้แหละพิษจะรวยใหญ่ทีเดียวรวยอะไรพิษก็อินเงินสองบาทเอาคุณยังไม่รู้อะไรเมื่อคืนพิษฝันดีดีเห็นนกกระยางบินมาตั้งฝูงวันนี้จะต้องแทงหวยให้เต็มพิษขาทีเดียวซอยก็ซักบอกว่าแทงตัวอะไรพิษแทงปอกังสือสีคุณชอยคุณเชยก็บอกว่าให้ ฝันเห็นนกกระยงางทำไมไปแทงปอกางสือล่ะพิศก็นกกระยางมันกินปลานี่เจ้าคะปลาก็ปอปอกังสือสิเจ้าคะอืมฉันชักเลื่อมใสเสร็จแล้วล่ะพิศจะออกไปแทงหวยเมื่อไรบอกให้ฉันรู้มั่งนะฉันจะฝากไปแทงสักเฟื้องหนึ่งก็เป็นการสนทนาที่สนุกสนานนะคะความตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการแทงหวย ของผู้คนในยุคนั้นนะคะที่เรียกกันว่าอาหวยกอขอ๋อเคยได้ยินไหมคะหวยกอข๋อที่เป็นที่นิยมกันมากนะคะในสมัยนั้นเนื่องจากว่าหวยกอข๋อเนี่ยมีกําเนิดมาจากจีนเพราะฉะนั้น เ, เวลาที่เขากําหนดกําหนด เป็นตัวให้แทงเนี่ยก็จะใช้อักษรไทยแล้วก็กำกับตัวหวยซึ่งเป็นชื่อคนจีน36ตัวแล้วก็มีรูปสัตว์ที่สมมุติเป็นชาติก่อนของตัวหวยเพื่อให้คนไทยที่ไม่รู้จักภาษาจีนแล้วก็อักษรไทยเนี่ยมีที่สังเกตในการที่จะแทงตัวหวยได้ถูกต้องเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้น ก็ยังมีคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ไม่ใช่น้อยนะคะและคนกลุ่มนี้นี่เองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเล่นหวยยกตัวอย่างอักษรกหมายถึงตัวอุปราชชื่อสามห่วยชาติก่อนเป็นชนีก็จะมีรูปชนีกํากับเอาไว้นะคะอักษรชอหมายถึงคนฆ่าหมูขายชื่อว่าจีติดชาติก่อนเป็นแนวลายอ่า หรือว่าอักษรปอหมายถึงคนแจวเรือจ้างชื่อปิดติดชาติก่อนเป็นหมูอักษรฟอหมายถึงลูกเขยเจ้าเมืองชื่อก่ากลัวชาติก่อนเป็นกาเป็นต้นค่ะ ที่คุณเฉยเข้ามาอยู่ในวังชั่วคราวทำให้พลอยรู้สึกว่าชีวิตของพลอยนั้นเต็มสมบูรณ์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถึงแม้ว่าคุณเชยจะเป็นคนนอกวงังแต่คุณเชยก็เป็นคนที่มีท่าทางสมกับเป็นลูกผู้ดีมีสกุลพลอยรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสแนะนำให้คุณเฉยได้รู้จักกับคนที่คุ้นเคยวันนี้คือพี่สาวและนอกจากลักษณะท่าทางแล้ว คุณเชยก็เป็นคนที่แต่งกายแล้วก็ใช้เครื่องใช้ต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีฐานะดีการที่มีพี่สาวเป็นเศรษฐีเป็นคนดูดีนะคะสาหรับไปไหนมาไหนด้วยก็ออกจะทําให้พลอยดูดีแล้วก็มีรัศมีขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งพลอยคุณเชยแล้วก็ช้อย พากันออกไปดูละครบรมที่ข้าราชการฝ่ายหน้าจัดให้มีที่ศาลาสหาไทยละครคืนนั้นข้าราชการชั้นพระนาพระยาได้อุตสาหฝึกซ้อมกันจนเข้ามาเล่นถวายตัวในงานสมโภต ร, รับเสด็จได้คนที่ออกไปดูก็พากันสนใจละค่ะว่ากระบวนําจะเป็นอย่างไร เรียกว่าเป็นละครกิจมศักก็ว่าได้นะคะคนเล่นนี่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทีนี้ระหว่างที่ละครกําลังเล่นคนดูก็พากันซุบซิบบางคนก็ชมในความพยายามบางคนก็เห็นขันพรอยก็นั่งดูละครอย่างเพลิดเพลินอยู่นานแต่แล้วพรอยก็เกิดความรู้สึกแปลกด้วยสัญชตาตญาณว่าเหมือนกับมีใครคนหนึ่ง จ้องมองตนอยู่ข้างหลังรู้สึกเย็นหลังวาบๆาบตั้งแต่ท้ายถอยลงมาและเมื่อเห็นผิดสังเกตพลอยก็เหลียวไปดูตาของพลอยก็ไปเจอกับสายตาอีกคู่หนึ่งซึ่งจ้องดูพลอยด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งเอาละสิมีคนแอบมองนะคะเจ้าของสายตาคู่นั้นเป็นบุรุษร่างใหญ่ผิวขาว อายุราว25สังเกตดูจากการแต่งกายพลอยก็รู้ได้ว่าน่าจะเป็นมหาดเล็กหลวงอยู่ในเกณฑ์หน้าตาดีนะคะแต่พลอยก็ไม่ได้สนใจในในในข้อนั้นล่ะคะ่ะว่าจะหน้าตาดีหรือว่าไม่หน้าตาดีแต่สิ่งแรกที่พลอยรู้สึกก็คือรำคาญ พลอยเหลียวไปดูด้วยสีหน้าที่บอกชัดว่ารำคาญอีกครั้งหนึ่งแต่สายตานั้นมิได้ลดลงแต่เพิ่มแววเป็นยิ้มเข้าไปอีกทำให้พลอยนึกโบโหสบัดหน้ากลับมาทันทีความรู้สึกที่ว่าตนตกเป็นเป้าสายตานั้นทำให้พลอยหมดสนุกในการดูละครแต่ว่าเมื่อเห็นคุณเชยกับช้อยยังเพลินดูละครพลอยก็เลยไม่กล้าที่จะชวนกลับ ต้องอดทนดูจนกระทั่งละครเลิกตอนค้ากลับพลอยก็รู้ทั้งที่ไม่ได้เหลียวไปดูนะคะว่าผู้ชายคนนั้นเดินตามพลอยมาโดยตลอดจนเกือบถึงประตูย่ำคำ่ำอันเป็นเขตพระราชฐานชั้นในคืนนั้นพลอยไม่สบายใจคะ่ะนอนกระสับกระส่ายตลอดคืนปกติแล้วเวลาเข้านอน พลอยมักจะหลับทันทีก็ตามภาษาคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวหลับง่ายนะคะหรือถ้าไม่หลับก็จะคิดถึงพี่เนืองแต่คืนนี้จะเป็นเวรกรรมอย่างไดพลอยก็บอกไม่ถูกรู้แต่ว่าพอหลับตาลงทีไรก็เห็นแต่แววตาและใบหน้ายิ้มยิ้มของผู้ชายคนนั้นจะพยายามขับไล่ด้วยวิธีนึกเรื่องอื่นอย่างไรก็ไม่สําเร็จ ชอยซึ่งนอนอยู่ใกล้ๆเห็นพลอยนอนไม่หลับก็สงสัยพลอยเป็นอะไรเปล่าหลอกช้อยฉันตาค้างนอนไม่หลับเสียเฉย ๆ, ๆฉันก็ไม่เคยง่วงเหมือนกันคุยกันก่อนก็ได้เออช้อยเมื่อตอนไปดูละครเมื่อหัวค่ำชอยสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่า ฉันไม่เห็นอะไรกันเหรอก็มีอตาผู้ชายอะไรก็ไม่รู้แกจ้องมองฉันเสียจริงๆจ้องเอามองเอาจนฉันรำคาญงั้นหรือหน้าตาเป็นอย่างไรก็หน้าขาวๆบอกไม่ถูกอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกได้กระมังฮืมก็เรามันคนสวยนี่นาพรอยคนเขาก็ต้องมองบ้างสิอย่างฉันสิ ไปไหนมาไหนไม่เห็นมีใครเขามองเลยคืนวันนี้ฉันก็แต่งตัวเสียเต็มยศทีเดียวเชียวแต่ไม่ยักมีใครมองสักคนเสียดายแท้ๆชอยพูดไปเล่นไปได้ฉันรำคาญ ร, รำคาญจริงๆนะรำคาญใครรำคาญฉันหรือว่ารำคาญคนมองก็รำคาญคนมองเนี่ยสิถ้าอย่างนั้นต่อไปจะไปไหนก็คลุมหน้ามันซะเลยสิแต่เอ๊ะไม่ดีหรอก เดี๋ยวหมามันจะเห่าให้รำคาญอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้เห็นใครมองไม่ถูกใจพลอยบอกฉันฉันจัดการเองและช้อยจะไปทําอะไรเขาได้ผู้โทษพลอยก็อยู่ด้วยกันมาตั้งเป็นนานยังไม่รู้จักฝีมือฉันอีกหรือคอยดูไปทันหน้าพวกเจ้าชู้ไก่แจ้เนี่ยมันไม่กล้า จ, จริงหรอกฉันปราบเองให้มันเรียงหน้ากันเข้ามาเถอะ ช้อยนี่ก็เหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดของพลอยเลยทีเดียวนะคะพลอยก็คุยเป็นเชิงปรับทุกข์กับช้อยอีกสองสาคำแต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแป๊บเดียวก็มีเสียงกรนเบาๆดังมาจากมุ้งของช้อยตั้งแต่นั้นมาพลอยก็ต้องรับความรำคาญอีกหลายครั้งบางวันพลอยออกไปแถวแถวหน้าประตูสีสุดาวง เพื่อซื้อส้มสูกลูกไม้หรือของเล็กๆน้อยๆที่คนข้างนอกออกมาขายผู้ชายคนนั้นก็มกักซะมาเทรดอยู่แถวนั้นและเมื่อเห็นพลอยก็เดินตามดูหรือถ้าพลอยหยุดชายผู้นั้นก็หยุดการที่ดูก็ดูอยู่ห่างๆทิ้งระยะเอาไว้พอดีไม่ใกล้ไม่ไกลนักด้วยความอายบวกกับความรําคาญ พลอยก็เลยมักจะชวนช้อยออกไปด้วยเสมอและก็เอานางพิษตามหลังไปด้วยอีกคนหนึ่งคือเวลาที่พลอยจะออกไปท้ายวังหรือไปทางข้างหน้าทีนี้ก็ไม่ไปคนเดียวแล้วละ่ะเอาช้อยหรือไม่ก็พิษไปด้วยนะคะและในเวลาไม่ช้าไม่นานพรอยก็เห็นผู้ชายคนนั้นคือมาจริงๆมาตามที่คาดเอาไว้ พลอยก็ทำเป็นไม่เห็นแล้วก็พูดเบาๆกับชอยบอกว่าชอยคนนั้นแหละที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเที่ยวตามดูฉันจนลำคาญเต็มทีแล้วชอยก็หันไปดูคนนั้นนั่นหรอท่าทางไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวเถอะฉันจัดการเองชอยก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ต่อไปอีกครู่หนึ่งนะคะพอสังเกตว่าชายผู้นั้นไม่วางตาจากพลอยแน่แท้ ชอยก็เริ่มแแปลงริดค่ะโดยการเรียกนางพิศตามมาแล้วก็เดินเข้าไปยืนใกล้ๆกับชายคนนั้นในระยะที่พูดกันได้ยินถนัดนางพิศเอ็งนํามันสันดานไพร่เอ็งรู้ไหมรู้เจ้าค่ะนางพิศก็ตอบทันทีนะคะเหมือนอย่างกับว่าเหมือนอย่างกับว่าได้ซ้อมกันเอาไว้เตรียมกันไว้แล้วสันดานพพา่อย่างเอ็งเนี่ยถ้าจะไม่เคยเห็นคนสีนะ เห็นใครเข้าถึงได้จ้องมองเอาจ้องเอาอย่างกับคนที่ไม่เคยพบมาก่อนโอ้ยเจ้าประคุณพ่อแม่ของบ่าวมันไม่เคยสอนมาเจ้าค่ะบ่าวมันขี้ค่าสาระเลวหรือผู้ลากมากดีก็ไม่เจียมตัวเที่ยวมองท่านให้เป็นเสนียดจันไรคนอย่างนี้มันต้องโดนหวโดนตรวนเสียบ้างแหละถึงจะดีผู้ชายคนนั้นได้ยินชอยและนางพิตโต ต, ตอบกันแบบหือถึงพลิกถึงขิงนะคะ หน้าก็สลดลงทันทีรีบหลบแล้วก็เดินไปทางอื่นจนหายลับไปชอยก็เดินกลับมาอย่างภาคภูมิมีเสียงหัวเราะ อ, อยู่ในลําคอแล้วก็ชวนพรลอยขับเข้าวังพอผลประตูเข้ามาชอยก็บอกว่าแม่พิษแม่ทูลหัวของชอยกลับไปถึงตำหนักแม่อยากได้อะไรที่เป็นของชั้นก็ไปเลือกเอาได้ทีเดียวนะ นางพิษก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคุณช้อยนิดหน่อยเท่านั้นแหละเจ้าค่ะพิษรู้หรือเปล่าว่าฉันจะด่าใครเมื่อกี้นี้น่ะไม่รู้หรอกเจ้าค่ะแต่ก็ช่างมันไปอะไรคุณด่าใครบ่าวเอาด้วยทั้งนั้นให้มันเรียงหน้ากันเข้ามาเถอะไหนว่าที่ข้าพลอยก็น่าจะมาจากประมาณนี้นะคะคือไม่รู้หรอกด่าใครแต่ด่าด้วยแต่ทั้งที่โดนช้อย แผงริดเอาครั้งหนึ่งอย่างนั้นแล้วนะครับผู้ชายคนนั้นก็ยังคงปรากฏตัวให้พลอยเห็นอยู่บ่อยๆคือยัออยงไม่เลิกเวลาพลอยมีโอกาสได้ผ่านออกไปทางไปทางข้างหน้าหวางังพลอยก็มักจะได้พบและเมื่อพบครั้งใดชายคนนั้นก็ยังคงมองดูพลอยด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความสนใจอยู่นั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่ง ชอยก็มาบอกว่ารู้แล้วว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครชอยบอกว่าชอยไปสืบข่าวคืออย่าลืมนะคะว่าชอยนี่เป็นคนที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นกับการสืบข้อมูลนะคะของคนคนหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นคนทํางานในรั้วในวังเนี่ยเป็นมหาดเล็กด้วยเนี่ยนะคะก็คงไม่ยากเกินกำลัง ช้อยได้ข้อมูลมาว่าฉันถามคนที่รู้จักเขาบอกว่าอีตะคนที่แกชอบเที่ยวตามดูพลอยนะ่ะชื่อเปรมเป็นมหาดเล็กหลวงลูกพยาเหมือนกันนะแต่พยาอะไรฉันก็จำไม่ได้ช่างก็เถิดช้อยเขาชื่ออะไรลูกใครฉันก็ไม่สนไม่อยากรู้ด้วยซ้ำฉันก็ถามก็ไปอย่างนั้นแหละ เขาบอกให้ฉันก็เลยเก็บมาบอกต่อให้รู้ไว้ต่อไปข้างหน้าเผื่อแกมาเกะกะอีกก็บอกฉันนะพลอยไม่บอกละ่ะช้อยทําอะไรวู่วามเกินไปฉันไม่อยากให้ช้อยทําอย่างนั้นเลยคนเขาจะว่าได้เปล่ า, ลาใครว่าก็ช่างมันตรายละพลอยใครไม่มียุ่งกับฉันก่อนฉันก็ไม่เห็นจะไปยุ่งกับใครสักทีจริงๆแล้วช้อยนี่เป็นคนที่มันนะคร แต่ว่าคนที่อยู่ด้วยอย่างพลอยซึ่งเป็นคนเรียบร้อยบางทีพลอยก็หนักใจหนักใจในความเก่งกล้าไม่กลัวคนของช้อยช้อยนี่มีลักษณะผิดกับผู้คนในวังโดยทั่วไปและเนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ก็ทำให้ช้อยมีทั้งมิตรและก็ศัตรูที่มากพอๆกันคือใครที่รักช้อยก็รักเอามากๆ แต่คนที่เกลียดช้อยก็มักจะเกลียดเอามากๆเช่นเดียวกันจะหาคนที่เพียงแต่ชอบพอหรือว่ารู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดนั้นแทบไม่มีถ้าพบคนที่รักช้อยพลอยก็สบายใจด้วยนะคะแต่บางเวลาที่ได้ยินคนที่เขาเกลียดช้อยพูดถึงช้อยก็ทำให้พลอยรู้สึกไม่สบายใจเอามากๆแต่ว่าเวลาที่พลอยมาเตือนช้อย ชอยก็มักจะเห็นเป็นเรื่องขบขันหัวเราะเสียทุกทีราวกับไม่ใช่เป็นเรื่องสลักสําคัญอะไรในส่วนของคุณเชยคุณเชยกลับออกไปบ้านหลังจากเที่ยวงานในวังแล้วคุณเชยก็กลับมาจริงๆตามที่ว่าไว้คราวนี้คุณเชยมาวันเดียวโดยที่ไม่ได้ค้างและพอเข้ามาก็ตรงมาหาพลอยที่ตําหนัก พลอยฉันกลับไปถึงบ้านแจ้วคุณพ่อท่านก็ถามถึงแม่พลอยทีเดียวท่านอยากรู้เรื่องแม่พลอยมากว่าอยู่กินเป็นอย่างไรมีทุกข์มีสุขอย่างไรฉันก็เล่าให้ท่านฟังอย่างที่ฉันได้รู้ได้เห็นแล้วท่านว่าอย่างไรบ้างคุณเชยฉันก็รู้สึกว่าท่านคายกังวลไปมากเจ้าคุณพ่อของเราหมูน่นี้แก่ไปมากนะพลอยท่านบ่นกับฉันเองว่าท่านแก่ตัวลง อยากจะให้ลูกเต้าห้อมล้อมอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงลูกๆความจริงพี่น้องก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนแต่ท่านว่าอย่างไม่เป็นหลักเป็นฐานเลยสักคนฉันนึกๆไปก็เห็นใจแล้วก็สงสารท่านนะคุณเชยฉันก็คิดถึงท่านมากเหมือนกันแต่ฉันเห็นจะไม่มีวันกลับไปอยู่บ้านได้อีกคุณอุ่น เธอคงจะเล่นงานฉันแย่คุณเชยเองก็รู้อยู่เต็มอกอีกอย่างสเสด็จก็มีพระเดชพระคุณแก่ฉันมากมายเหลือเกินชูเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนป่านนี้ทุกอย่างที่ฉันมีอยู่ทุกวันนี้ก็เกือบจะว่าได้ว่าเพรา ะ, สะเสด็จประทานให้ถ้าหากฉันทิ้งสเสด็จทูลลากลับไปอยู่บ้านฉันจะมีเป็นคนอากตันญูไปรึอ ฉันก็เห็นใจแม่พลอยแต่อีกใจหนึง่งฉันก็สงสารเจ้าคุณพ่อท่านพูดถึงแม่พลอยคราวที่แล้วฉันเห็นท่านน้ําตาไหลคล้ายๆกับท่านจะนึกไปว่าแม่พลอยลืมท่านแต่เจ้าคุณพ่อท่านกระเกรงพระไทยเสด็จอยู่มากท่านว่าจะมารับแม่พลอยกลับไปก็ไม่ได้เพราะได้ถวายเสด็จไว้แล้วฉันก็เลยบอกท่านว่าฉันจะเป็นคนมารับแม่พลอยไปที่บ้านเอง รับไปเป็นครั้งคราวอย่างมาคราวนี้ฉันก็อยากจะมานักแม่พลอยแม่พลอยจะไปได้เมื่อไหร่ฉันจะมารับแล้วคุณอุ่นเล่าคุณเชยคุณเชยพูดกับเธอเรื่องฉันบ้างหรือเปล่าพอพลอยถามถึงคุณอุ่นคุณเชยก็บอกว่า ฉันพูดแล้วพูดกันถึงขั้นแตกหักทีเดียวทีแรกฉันขอเธอดีๆแต่เธอไม่ยอมเพราะเธอเกลียดแม่แช่มมากฉันก็ไม่รู้ว่าแม่แช่มของพลอยไปทำอะไรเธอไว้ตอนท้ายฉันโมโ oh หขึ้นมาฉันก็เลยพูดเอาแรงๆบ้างเธอขู่ฉันเสียงแหวแต่ฉันก็แหวเอาบ้างเพราะเราก็โตๆด้วยกันแล้วใครจะไปกลัวไม่รู้จักแล้วจากอดเธอตกใจ ที่ฉันขึ้นเสียงเอาบ้างหรืออย่างไรก็ไม่รู้นะเห็นนิ่งไปนานแต่แล้วก็ยอมสรุปว่าคุณอุ่นกับคุณเชยก็มีการประทะคารมกันนะคะแล้วคุณเชยซึ่งไม่ยอมคุณอุ่นมาแต่ไหนแต่ไรคือจริงๆคุณเชยกับคุณอุ่นเนี่ยเป็นพี่น้องของเดียวกันนะคะแม่เดียวกันคลานตามกันมาแต่คุณเชยกับคุณอุ่นก็ไม่ค่อยกินเส้นกัน คุณเฉยกลับมาสนิทสนมรักใคร่กับพลอยมากกว่าสรุปว่าหลังจากที่ปะทะทคานกันอยู่พักหนึ่งคุณอุ่นก็ยอมให้คุณเฉยรับพลอยไปค้างที่บ้านได้แต่เวลาไปค้างเนี่ยก็ขอให้พลอยอยู่กับคุณเฉยคนละห้องอย่าไปเกี่ยวข้องกับคุณอุ่นเป็นอันขาดคือคุณอุ่นเนี่ยเหมือนกับรังเกยียจพลอยเหลือเกินนะคะ ไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องกันพรอยฟังแล้วก็แหมรู้สึกอ่อนใจสนุกตายแล้วคุณเชยอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็แยกก๊กแยกเราฉันไม่ชอบเลยคุณเฉยก็ถอนใจก่อนจะบอกว่าทําอย่างไรเล่าแม่พรอยเรื่องมันเกิดมาเสียจนป่านนี้แล้วแม่พรอยไม่เห็นแก่ใครก็เห็นแก่เจ้าคุณพ่อของเราบ้างเถอะท่านก็อายุมากแล้ว ก็ตามใจคุณเชยฉันเองก็ใช่ว่าจะไม่อยากไปบ้านแต่เมื่อมีเหตุขัดขวางอยู่ฉันก็จนใจแต่เมื่อคุณเชยพูดมาอย่างนี้ฉันก็ไม่ขัดข้องฉันจะต้องปรึกษาคุณป้าสายก่อนแล้วก็ทูลลาเสด็จท่านคงไม่ขาดหรอกเพราะไปนานๆครั้งแล้วได้ความอย่างไรฉันจะให้นางพิษไปบอกคุณเชยที่บ้านนะ ที่นี่พอคุณเชยกลับไปแล้วนะคะพลอยก็ลองปรึกษากับคุณสายดูเรื่องที่จะทูนลาเสด็จเพื่อกลับไปค้างบ้านเป็นครั้งคราวซึ่งคุณสายก็ไม่ได้ขัดข้องแต่กลับสนับสนุนเห็นดีด้วยนะคะแล้วก็รับว่าจะไปทุนเสด็จเอาไว้ก่อนคือจะไปทูนเสด็จให้ในวันหนึ่งขณะที่พลอยกําลังเฝ้าอยู่เวลาเสเวยเสด็จก็รับสั่งถึงเรื่องนี้ว่าพลอย สายเข้ามาบอกว่าเจ้าอยากจะลาออกไปเยี่ยมพ่อเป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่หรือก่อนที่พลอยจะทูลว่าอย่างไรสเสด็จ ก, ก็รับสั่งต่อไปว่าไปเถิดข้าไม่ห้ามแต่เวลาจะไปจะมาขอให้พี่น้องมารับมาส่งเจ้าก็เป็นลูกผู้ดีมีสกุลควรจะระลึกถึงชาติถึงสกุลเอาไว้เสมอบิดามารดา เป็นผู้ที่มีพระคุณยิ่งกว่าใครๆทุกคนจึงต้องรักและนับถืออยู่ในโอวาทพ่อแม่พ่อแม่นั้นไม่มีใครสำคัญเท่าเจ้าก็มาอยู่กับข้าตั้งแต่ยังเด็กถึงข้าจะรักเจ้าซักเท่าใดก็คงจะไม่เท่าพ่อแม่ของเจ้ารักเดี๋ยวนี้พลอยก็กำพร้าแม่ยังเหลือแต่พ่อคนเดียวข้าดีใจที่รู้ว่า รอยยังมีใจรำลึกถึงพ่ออยากจะสนองคุณผู้ให้กำเนิดข้าเลี้ยงใครก็อยากจะให้ดีแต่คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่นิสัยคนบางคนถึงจะอบรมสั่งสอนเท่าไหร่ก็เสียแรงเปล่าที่เจ้าคิดจะออกไปเยี่ยมพ่อนั้นเป็นความคิดในทางที่ถูกต่อให้เห็นว่าเจ้าเป็นคนนิสัยดีข้าจึงดีใจ ใครที่อยู่กับข้าทุกคนถ้าทำถูกแล้วข้าไม่ห้ามกลับยินดีส่งเสริมข้ารู้ว่าพลอยรักข้ามากกระตันยูข้ามากแต่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าคุณบิดามารดาสำคัญกว่าของอื่นทั้งสิ้นพลอยจะไปเยี่ยมบ้านเมื่อไหร่ก็ไปเถอดนะถึงแม้ว่าพ่อเขาต้องการจะรับเจ้าไปอยู่บ้านเลยข้าก็ไม่ว่า ส่วนในใจจริงข้าก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดาเพราะใช้สอยเจ้าได้ถูกใจแต่ถึงเจ้าจะไปแล้วคนอื่นก็ยังมีข้าพอจะอยู่ไปได้แต่คำรับสั่งของเสด็จก็แสดงให้เห็นว่าพลอยนั้นเป็นที่โปรดปรานและก็เป็นที่รักของเสด็จมากนะคะทีนี้พอเสด็จสวยเครื่องหวานเสร็จก็หยุดรับสั่ง แล้วก็หันไปบ้วนพระโอษฐ์พรอยก็เชิญ น, น้ำชาเข้าไปตั้งถวายสเสด็จเสวยน้ำชาไปจิบหนึ่งก็เปิดหีบบุหรี่ใบจากซึ่งทรงคือจะทรงบุหรี่หลังเสวยทุกครั้งบุหรี่ของข้าหายไปไหนหมดเมื่อวานนี้ยังมีอยู่เต็มหีบวันนี้เหลือสองสามตัวเท่านั้น พลอยเลียวดูหน้าคุณสายแล้วก็ข่าหลวงคนอื่นๆที่หมอบเฝ้าอยู่ทุกคนก็ต่างคนต่างเหลียวมองดูหน้ากันละกันคุณสายเหลียวมองดูช้อยเป็นเชิงกล่าวหาทันทีไม่มีใครรอกหนังพวกข้าหลวงนี่แหละดัดจริตขโมยบุหรี่ของข้าไปสูบอวดกันเห็นเป็นของโก้โเก๋นี่คงจะเน็บเอาไปทีละมวนสองมวลหลายคนเข้าก็หมดอีบ เวลากินข้าวกันแล้วก็คงทำใหญ่โตกรีดกลายนั่งไขว่ห้างแล้วก็หยิบบุหรี่ของข้าขึ้นใครผ่านมาก็พ่นควันช้าๆให้เห็นว่าข้านี่หรูหราเสียเต็มประดาข้ารู้หรอกนะเสด็จรับสั่งพลางทรงทำท่าข้าหลวงที่ลักบุหรี่ไปสูบแล้วจะสูบบุหรี่ในท่ายอย่างไรจะทรงทอดพระเนตรเห็นหรือจะทรงวาดภาพเอาเองพลอยก็สุดที่จะเดาได้แต่ทรงทาได้แนบเนียน เหมือนกับท่าทางที่ควรจะเป็นที่สุดพลอยเห็นแล้วก็ขำก้มหน้าลงกัดฝีปากเพื่อมีให้หัวเราะส่วนช้อยผู้ที่มอบอยู่ห่างออกไปนั้นกลั้นเอาไว้ไม่อยู่หัวเราะออกมาทีเดียวเมื่อเห็นช้อยหัวเรา ะ, ะเสดก็อดทรงพระสวนไม่ได้ดูนางช้อยสิหวานแล้วยังตีหน้าทะลน้นเอ็งขงโมยบุหรี่ของข้าไปสูบจริงไม่ล่ะข้าพูดถึงได้ถูกใจนักรับมาเสียดีๆนะ เปล่ามั้งคะ้ยอย่ามาแก้ตัวถ้าเองไม่สูบเองก็ลักของข้าไปเที่ยวแจกฝูงหรือให้นางสายอาเองสูบเท่านั้นแหละอา้าวแล้วกันคุณสายพูดขึ้นกลิ้วไปกลิ้วมากลับมันลงเอาหม่อมชั้นเขาแล้วไม่รู้ละข้าหลวงตําหนักนี้มันก็เหมือนกันทั้งนั้นเห็นข้าใจดีก็ถือวิสาสะไปเสียหมด พอข้ากำลังอวดกับนางพลอยเขาว่าข้าจะอยู่ได้เวลาที่เขาไม่อยู่ก็เกิดเหตุทีเดียวนี่อีกหน่อยข้ามิหมดตัวหรือแต่เอาเถิดพลอยถึงเจ้าจะต้องกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องเมื่อถึงเวลาข้าก็ไม่ห้ามข้าจะทนอยู่กับนางพวกลักเล็กขโมยน้อยพวกนี้ทนอยู่ให้มันปอกลอกไปตามใจมันถึงเจ้าจะไปอยู่ห่างไกลก็ไม่เป็นไรนักหนาคิดถึงข้า ก็ไปมาหาสู่กันได้แต่ระหว่างนี้ถ้าเจ้าจะไปเยี่ยมบ้านครั้งใดก็ขอให้มาบอกจะไปกี่วันก็ให้ข้ารู้บ้างแล้วถ้าพี่น้องเขายินดีจะมารับมาส่งถึงค่อยไปที่ข้าพูดเอาไว้วันนี้ไปบอกให้พ่อเขารู้ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าข้านกีดกันไม่ให้ลูกเต้าเขาได้พบกันเสด็จก็เป็นห่วงพรอยอยู่ไม่น้อยนะคะ ย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้ทางบ้านเนี่ยมารับมาส่งดังนั้นรุ่งขึ้นอีกวันพลอยก็เรียกนางพิษสั่งให้ออกไปหาคุณเฉยที่บ้านแล้วก็บอกว่าพลอยพร้อมแล้วที่จะกลับไปเยี่ยมบ้านตามที่คุณเชยขอร้องชั่วแต่ว่าขอให้คุณพลอยอขอภายนะคะขอให้คุณเชยเนี่ยมารับมาส่งเองทุกครั้ง และก็ขอให้บอกลวงหน้าด้วยว่าแต่ละครั้งพลอยจะต้องออกไปอยู่บ้านนานเท่าใดนางพิษหายไปวันหนึ่งก็กลับมารายงานว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วคุณเฉยดีใจมากที่รู้ว่าพลอยสามารถออกไปได้ส่วนคุณอุ่นนั้นนางพิษก็บอกว่าไม่ได้พบได้ยินแต่เสียงกำลังด่าบ่าวอยู่ในห้องและคุณเฉยให้มานัดพลอยว่าอีกห้าวันจะมารับ